จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบาิสันผู้ฝ่ายธรรมทุกๆท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อสนทนาธรรมถามตาบอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่สนใจก็เชิญเข้ามาร่วมได้ไปที่เด็กชายพีเคก่อนพีเค โอเคกลับนมรส ก, การค่ะครับอาจารย์กับไปยังไงบ้างทำไปเสียงไม่ค่อยได้ยินนะคะเดี๋ยวนะคะ เ, เสียงเมื่อเราไม่ได้ยินเลยนะเสียงค่ะไม่แน่ใจท่านอื่นได้ยินเสีงยงคไหอได้นะได้ยินชัดครับได้ยินชัดอ๋อเหรอคะครับอโอเคตอนนี้ได้ยิน ได้ยินไหมคะคอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เป็นยังไงกลับลอาจารย์ครัอบอะไรนะลกูกอ่า่ายังไงเด็กชายพี่เคกลับมาสักการอาจารย์ตอบเลยวันน่าเป็การกับเาจารยพรุ่งนี้กลับไทยล้วคะเนียกลับไป้วหรือยัี่จะกลับไทยเนี่ย ยั่ไังยอีนึ่ น, น, นกอนอืมมองนอนแล้วใช่ไหมสีถุ่มแล้วจะรอกินบวยค่ะพระารอว่าเดี๋ยวถ้ามาจะมากับพระจันทร์แล้วเดี๋ยวจะให้กินบวยห <laughs> นึ่นงเม็ดนั่งรเอ้าวกาบใชจะได้ไปกินก บ, บวยกาบก่อนดูกบาบครับ เดี๋ยวกลับไปแล้วเดี๋ยวไปกราบพระอาจารย์วันเสาวนะคะโอเคครับโอเคแม่ไปไปกินข้าวพระอาารไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์มากรพระอาจารย์พรุ่งนี้กลับละค่ะโอเคอ่าเดี๋ยวออกไปฟัง y o u ูทูบนะคะน่าเชื่ออ่าให้พระอาจารย์ทัดันแข่งแรงค่ะอ่าอ่าเดี๋ยวชายเลนเป็นยังไงพร้อมหรือยังทําอะไรอยู่ครับ ดำเนินมาตรการพักพการเจ้าค่าอะอาค่ะโอเคครับกลับดีๆลูกอะเล่นสรงการบ้านก่อนเลยลูกโอเคอาเรีย น, นดังดีๆค่ะอาเลยงงใจดีๆลูกงงใจดีๆลูกอาเอาใหม่ลู ก, น, ลกน้โมูลเลยครับ น evet> ั่นอตัดสภาพสวะตัวละหักตัวสามสับปะสันั่นคือตัดสภาาวะตะหตัสามัะกครับอ่าดอีกอ่าครับดีมากต่อครับนั่อตัดสภวะตัวะหกตัวสาสับปะสักดีดีลูกอเคอ่าต่อครับ สว่างสว่างบเาขับเขตาทาทำมงรไม่ด้นั่งนั่งไม่ดีนั่งไม่ดีนั่ไม่ดีนัังดีครับนั่งนัปกเลยลูกนังพบเพียบไปอันนั้นพับเพียบโอเคไม่ได้บุญเนาะนั่งไม่ดีได้บุญนะะจะจะไม่ โอเคคเปลี่ยนมากเลยลูก okay. โอเคอะต่อปิติปิโซเพราะอะไรคะมาสมบูรณ์เต็มี่แลสเรื่องสัสาร่ารจาเมอนเทาวอ๋อะตว่าไม ด, ด ตั้ที่กูกลับกูเอ๊พัสกูโอปันกูประจังเมื่อที่ได้พบวิดีโอที่นะ่่าัระวัตตัว่้านเราักวัตัวสาวก็ส่งผู้าวส่งผู้ผูาผู้ผู้ผููููู้้้้้้้้ มาทุกคณะที่ตัขต้อัสดีาวกับสาวกเอ้เาเก็บเรนจะนได้าตเร้กจรย์เราแล้วกับรเจเราช่ววยภาาภาษาาาภาตาภาษาาษาภาาาาาาาา นั่งนันข้าะอะไรต่อลูกช่วงหย่มีวน่งใช้อะไรเนียบเด็กอาด็ซึ่งอตไเลยมีสมาที่มีสมาวคุณ่เชงน้านหัลาอก่ะเอากลบม่อเสรว ผมคนเหล็กคนกระดูกเนี่ยกระดูกว้ามหัวใจจับไตปอดเส้นเลือเส้นอะไรอาหารไหมอาหารกลาเยสมองสิจะต้องดื่อน้ำเหลืองนะเจ็น้หือนน้เลือดน้ำเลือน้งอคนน้ำตาน้ามะลิน้ลายน้ำมูกน้ำแข็งออนน้ำมูนเรามีความแก่ลูกเอยความแก่เป็นมาแต่ว่านคนแก่เลแม่มีความจีบใค่เป็นทำไม เราควรเก็บไว้ไปไว้ความตายเมื่อควาตายเป็นมาเราควรความตายไปไม่ได้เราต้องเราตอนถัดข้างก็จะคองหนักส่งเดินใจทำงานถัดส่งเราต้องรับโทรัพท์ในารลองเราจะต้องมีาเป็นกำเนิดอำเนิดแล้ก็ไม่ออพันฉันจะที่ปาญหาแต่เราไมที่วยกันแล้ว คุณ ท, <Okay. S 2> ที่แล้วไปออหวอยอีเจ้าค่ะเลยขาเรียนหนึ่งหนึ่งวันเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะพอดีก่อนหน้านี้ดู iPad ดนิดนึงเจ้าค่ะแล้วพอดีให้เ ข, เขปิดไอแพดเเรียนตตั้งสถิไว้ฐานเจ้าค่ะมไม่เป็นไรโอเคเรียบรแล้วนะค่ะพระอาจารย์ค่ะเป็นเด็กดีแล้วนะคะกลับกับก่อนส่วนมนทุกคืนจอยนรนะับ ชวนมวอยูค่ะพระอาจารย์ค่ะ yeah. Yeah. อ่ะคนนี้อ่ะคนนี้ด้วยอ่ะกลับกลับพระอาจารย์ต่อกลับพระพุทธกลับพระธรรมครับกลับพระสงฆ์สงการปีใหม่สวัสดีปีใหม่ท่านถวาพระอาจารย์ท่านแข็งแรงด้วนะคะจ yeah, <I> ้าท <to the. S 2> ุกจ้ากลับพระอาจารย์ลูกข้าพระอาจารย์ไปเอาน่ายอ่ไปที่จมดต่อจมด ก, ก็แค่ที่ฝาตน้ำตาลการพาะางครับครับมาส่งกันบ้านเช่นเคยครับเดีย๋ยวนี้น่งสบางที่ได้กี่นาทีละห้าสิบนาทีครับห้าสิบเับก็ยาวถึงชั่วโมงก็ก็จะลองดูครับถ้ามีโอกาสยังไม่ตั้งเป้าเลยแล้วก็อาจจะตั้งครับลองดูครับ Ate, เราสมการบ้านก่นเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงม้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงมคนความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงมคนความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องทัดรากจากของหลของเทเินใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของขอตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแนนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตาม มีการเป็นที่เพื่อ ง, งายเราทําการบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นแบบเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของการนั้นนั้นเสร็ไปเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดอย่าทําบาปนะทําแต่บุญถ้าอ้านจะได้ไปดีให้สุขสุขติให้สวรรค์ถ้าทําบาป้วต้องไปอาบายไปทุกขตินะครัโอเค ร่างกายเราอะไรามีผมขนเล็บันหนังเสื้อเอ็นกระดูกในกระดูกม้ามหัวใจตับปันภึกใไตปอดไตใหญ่ไตน้อยหันใหม่หันเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำทีน้ำเสจน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนือ น้ำมันข้นน้ำตาน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไื่ข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเนี่ยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลต์น้ำดีแกนในสมองสีสระอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตผังเปิดตับหอดใจ มา้าม เ, เนั้อกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังปันเด็บผลผมอ่พยายามมองร่างกายให้เห็นแบบนี้ทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะว่าร่างกายมีอาการซานยี่สองเป็นดินน้ำลมไฟเป็นตุกตาตัวหนึ่งนะแต่ไม่มีใจมาก็มันก็ทำอะไรไม่ได้ ใจเป็นผู้สั่งการให้มันทำอะไรต่างๆอ่าในวันหนึ่งก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำล ม, มไฟไปโอเคมีอะไรจะถามไหมไม่มีครับโอเคไม่มีเราเท่านี้ก่อนนะคราบขอบคุณพระเจ้าครับอ่นัองแนนคุณแนนต่อคุณแนนคุณลองทานที้ อ่าน้องเป็นน้องมสาสักรระอาหารลูกไม่มีคำถามต่อค่ะโอเคคณเนี่ยคณอ้อมมีคำถามไม่อ้อมนมาสการค่ะมากราบค่ะพระอาจารย์แล้วก็มาฟังธรรมค่ะโอเคเห็นไปที่คุณสุภัสตาต่ออยู่ไต้หวันเนี่ยทได้นะวเปิดไมก่อนยะ เปิดใหม่ค่ตกกามนามสกุลพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อกี้ไม่ขึ้นให้เปิดใหม่ค่ะ อ, ะอะพระอาจารย์วันนี้วันนี้เมื่อตอนเย็นหนูได้เอนั่งภาวนาค่ะคือหนูก็ลองปกติหนูจะบริกรรมพุโทโธใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้หนูลองเปลี่ยนเป็นดูลมหายใจเข้าออกอะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าเ ห, เหมือนเข้าเหมือนจิตมันค่อยๆรวมเข้าไปข้างในง่ายกว่าภาวนาพุทโธใช่ไหมเจ้าคะหนูก็เลยทีนี้หนูก็เลยเผอ Louis uhh ไปเพง่งลมแล้วก็เลย <laughs> แบบเผอไปเพง่งตรงตรงตรงท้องอะค่ะจากที่จะดูลมหายใจตรงไปจะบอกไปไปไปเพง่งตรงท้องเฉยเลยเจ้าค่ะพาราจทีนี้พอเผอไปเพ่งท้องปุ๊บก็เลยรู้สึกแบบมีอาการทร้องตึงค่ะก็แบบเหมือนจะหายใจไม่ออกเจ้าค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะโฟกัสผิดจุดแล้วรู้สึกว่า เ ป, เปลี่ยนเลยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เกี่ยวกับโฟกัสผิดจุดหรือเปล่าอะคะอ๋อไม่เนากจิตมันอาจจะมีปฏิกิริยาต่อหน้าท้องก็ได้ออคือคือหนูเข้าใจว่าเวลาโฟกัสลมหายใจทับโฟกัสตรงไปจมูกเนี้ยเจ้าค่ะมันน่าจะไม่มีปัญหาแต่ว่าพอเหมือนพอไหลไปตรงหน้าทอ้องอะค่ะเหมือนกับ มันมีอาการเหมือนท้องตึงเหมือนอึดอัดแน่นท้องประมาณเนี้เจ้าค่ะก็กลับมาที่ปลายจมูกนี่ค่ะหนูก็เลยคิดว่าคิดว่าน่าจะค่ะก็เลยลองมาเข้ามาถามพระอาจารย์ดูว่าหนูทําผิดหรือเปล่าประมาณนี้ก็ให้ดูปลายจมูกไม่ดูหน้าท้องทำไมนะมันน่าจะเผลอประมาณเนี้ยค่ะอืมอะไรนนั่นนันเช่านั้น แต่ว่าตอนก่อนเข้ามาในซูมหนูก็มีภาวนาปีกรอบนึงก็รู้สึกว่าดีขึ้นเจ้าค่ะเพราะว่าหนูพยายามโฟกัสที่พุทโธเหมือนเดิมดีกว่าโอเค อ, อันไหนใช่ได้ก็ใช้อนั้นไปก็แล้วกันค่ะแล้วเออจะถามพระอาจ า, ารย์ค่ะว่าถ้าจิตรวมเข้าไปข้างในแล้วเหมือนกับว่าเออ่จิตเราไม่ได้คิดอะไรค่ะแต่ว่าเห็นเหมือนเออ่ สำคัญที่ปรุงแต่งอาจจะแบบมีความคิดแวบๆบแบบเข้ามาแล้วทีนี้พอเราไปรู้อย่างเงี้ยความคิดมันก็หายไปอย่างเงี้ยค่ะถือว่าโอเคไหมคะหรือว่าต้องให้แบบเหมือนกับไม่คิดอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะอะไม่คิดอะไรเลยอ๋อค่ะค่ะหนูก็เออนั่งไปถึงจุดที่เหบอนกันว่าจิต ว่างๆแต่ว่าเหมือนเราเห็นความคิดจับอย่าหยุดพูทโทอย่าหยุดพุทโธอยู่กับพุทโธเห็นแต่พูทโทอย่างเดียวค่ะก็อขาพระอาจารย์ก็วันพอดีวันนี้เจออาการแปลกๆกันเลยเข้ามาถามพระอาจารย์พอดีถ้าไม่มีสติมันก็แปลกๆถ้ามีสติมันก็ไม่มีอะไรแปลกๆอ๋อสักขาพระอาจารย์ค่ะก็ไม่ ต้องมีสติอยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับลมคือหนูกช่วงสองสามวันนี้หนูกก็ภาวนาก็คือจะพยายามมีสติในชีวิตรประจำวันแล้วก็รู้สึกว่าพอมาภาวนาก็รู้สึกว่าเข้าสมาธิง่ายขึ้นกว่าเดิมเสาะค่ะนี่ถูกต้องต้องมีสติเยอะๆนั่งสมาธายิยังง่ายจะสงบง่าย ก็พยายามภาวนาที่ได้ตอนเช้าตอนกลางวันแล้วก็ตอนยินประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์ยิ่งงยิ่งยิ่งมากเท่าไหร่ยิงย่งดีค่ะความสงบนี้เป็นคุณประโยชน์กับจิตใจให้ความสุขกับจิตใจทำให้ไม่หิวกับรูปเสียงกินรดต่างๆค่ะพระอาจารย์ค่ะหนูว่าอาจารย์ตั้งใจปฏิบั ต, ติต่อไปสิคะ ถ้าเจออะไรแปลกๆก็จะต้องมาถามว่าอาจารย์เป็นช่วงๆค่ะอช่จะทําถ้าอยู่กับพุทโธอยู่กับลมมันไม่มีอะไรแปลกๆอ๋อก็ค่ะอาจารย์อย่าทิ้งพุทโธไม่อย่าทิ้งลมก็ค่ะแล้วอย่างอันจะมาผล่ขึ้นมาก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไม่ต้องไปตามรู้ถ้าอยู่กับพุทโธอยู่กับลมไปอ่อฟ้อาจารย์ แล้วเดี๋ยวใจก็จะเน่งันจะว่างันจะเย็นจะสงบจะสบายค่ะนะค่ะพระอาจารย์อย่าไปสนใจมีอาการอะไรแสดงแสดงว่ายังไม่สงบนะถ้าสงบแล้วมันจะไม่มีอาการอะไรค่ะพระอาจารย์ค่ะหนูก็ว่าภาวนาพุทโธแบบเดิมนจะโอเคกว่าถ้าเราถูกจริตมากกว่าก็ได้ก็ลองค่ะ โอเคมีอะไรอีกไหมอ่าไม่ถ้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติไม่มีแล้วค่ะเจบจบค่ะฟ้าอาจารย์ก็วันนี้ก็มีคําถามแค่นี้ค่ะโอเคไม่ไยากทําไปเรื่อยๆนะสติสําคัญมากค่ะฟ้าอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะอ่ า, า, พ า, พา อ, อ, อาจารย์สายทิ้งหายหน้าไปไหนมาไปอยู่รถดาน์คารมาเลย <c oughs> กลาวนามัสการพระอาจารย์ทุกค่ะ ไปอยู่กับความวุ่นวายมาค่ะการท่วมหัวเลยค่ะพระอาจารย์ก็เราแบร์มันเข้ามามันก็ท่วมเลอมันมันเข้ามาเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ค่ะวันนี้หนูอยู่บ้านสวนบ้านเสร็จแล้วค่ะอ๋อสวยดีนะยังโรงแรมเลยเออคุณพ่อเหมือนโรงแรมเลยอยู่โรงแรมบ้านสวนก็เอาไว้เผื่อความสงบแต่ก็ยังไม่ได้สงบเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่า มีแต่งานสติก็หายค่ะพระอาจารย์ก็เลยค่ะเอ้วหนูเพิ่งเพราะว่าเปิดร้านยาด้วยค่ะพระอาจารย์ทีนี้ก็เลยบอกคุณพ่อ่าเหนื่อยคุณพ่อเลยบอกก็หยุดสักวันสี่ก็เลยโอโอเคงั้นหยุดวันพุธค่ะพระอาจารย์ก็เลยเสี่อโอกาดจะได้เข้ามาฟังพระอาจารย์เพราะว่าถ้าอยู่ที่ร้านเข้าไม่ทันค่ะพระอาจารย์กดไม่ทันแล้วก็แล้วก็บางทีก็ฟัง ตามบ้างอะไรเงี้ยค่ะร้านที่เคยทําอยู่นี่เลยอะไรนะคะร้านยาที่เคยทําอยู่เนี่เลยร้านยาที่บ้านค่ะพระอาจารย์เพราะว่าถ้าหนูเลิกงานอันนี้คนล ะ, ลนนะร้านกันเลอร้านร้านที่ทํากับเพื่อนนี่่อาให้คนอื่นทําทําเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็หนูเหนื่อย <laughs> ไม่เอาอ <laughs> ก็คือถ้าเขาทาแล้วได้กําไรที่เหลือ มาแบ่งถ้ามีก็ก็ก็เอาด้วยถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ให้คนอื่นขึ้นเวรแทนมีมีคนขึ้นเวรแทนแล้วก็ให้เขาเอาเงินไปเลยอะไรเงี้ยค่ะอืก็คิดว่าไม่ไหวค่ะก็เลยเอาแค่ที่บ้านห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งถึงสองทุ่มค่ะพระอาจารย์ทําแค่นี้แล้วก็หยุดทุกวันพุธค่ะ ต้องหาโอกาสเพิ่งได้จังหวะค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่ต้องไปไหมที่มหาสารคามว่าไม่ต้องไปอ่าจริงๆก็ไปอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าช่วงนี้เขามีเ work f r ร m ม o m e แต่ว่าหนูเป็นหัวหน้ากลุ่มวิชามันมีประชุมค่ะต้องบางทีถ้ามีประชุมก็ต้องไปค่ะพระอาจารย์แล้วลัาก็อยู่ที่มหาสารคามรัญญาที่ถ้ารัญญานี้อยู่ที่บ้านขอนแก่นค่ะพระอาจารย์ที่เต็งอยู่คือบ้านจริงๆแต่ว่าอยู่ใกล้บ้านสวนค่ะพระอาจารย์ บ้านสวนก็น <S <S มีรัญญาด้วยไม่ไมค่ะไหมค่ะหมายถึงว่าบ้านส่วนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอันนี้เป็นเป็นบ้านชนบทนิดนึงค่ะพระอาจารย์แล้วก็บ้านคุณพ่อรัอรญาราญาแรกอยู่ตรงไหนรัญญาแรกอยู่มหาอยู่สารคามค่ะทํากับเพื่อนอ า, อาจารย์ อ, อ, อันนั้นให้เพื่อนอยู่แล้วทินี้ก็คิดว่าเกษียณมาเปิดน้อยที่ที่หมู่บ้านในชุมชนอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ เพื่อเราลาออกแล้วก็ไว้ประคองชีวิตสักหน่อยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วขายได้ในชุมชนนี้่ายขายได้ขายได้พออยู่น่ารักน่ารักค่ะพระอาจารย์เหมือนเหมือนพออยู่ได้อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเป็นชุมชนใหญ่ค่ะพระอาจารย์ท่านก็หลังคานเรือนแล้วก็ไม่มีคนขายแล้วก็เราก็อ่าเป็นเภสัชกรอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มาค่ะพระอาจารย์ไม่มีร้านขายยาเลยมีร้านเดียวมาร้านเดียว ร้านเดียวเลยค่ะ<อ>แล้วก็<อ>ลูกค้าบอกว่ามาทีไรก็ปิดทุกทีร้านหนูเรอะติดประชุมไม่ติดไปไ่ไปบอตอนนี้ติดป้ายว่าเปิดแค่ช่วงนี้นะห้าโมงครึ่งถึงสองทุ่ม<อ>แล้วก็บันพุทธหยุด<อ>แต่บางทีห้าโมงครึ่งก็มาไม่ถึงค่ะพระอาจารย์บางทีก็มาหกโมง<อ>ก็คนไข้ก็ มามาจากสารคามมันมาไม่ทันค่ะพระอาจารย์บางทีประชุมก็เปลี่ยนเวลาเป็นสองโมงไปเลยอ๋อเหลือสองชั่วโมงเลยค่ะพระอาจารย์ไปรอชาวบ้านกันเอาไว้โอหรือว่าเกียนว่าบางวันอาจจะมาช้านะแจ้งสารแน่บอกไม่แน่เวลาไม่แน่ไม่น้องแล้วแแต่เปิดเมื่อไหร่เจอเมื่อนั้นแหละค่ะพระอาจารย์นอนโดยประมาณ อ๋อโดยประมาณช่วงนี้งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปเพิ่มเติมว่าอาจจะอาจจะมีช้าบ้างอืช้าบ้างเร็วบ้างนะจ๊ะนะจ๊ะโดยใช่คนคนไข้ก็แซวอยู่ถ่ะว่าร้านี้ไม่ค่อยเปิดอืมค่ะอาจารย์พอพอเขได้เขาามาเขก็หวังจะเพิ่งเรามาแล้วไม่ไม่เจอเรามันก็ทําให้เขาเขาจะไปที่ไหนแต่ก็ เป็นคนในชุมชนค่ะพระอาจารย์ไม่ได้ไกลมากหม่ยถึงก็เป็นเหมือนหมู่บ้าน อ, อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวหนวูอาจจะมีไม่ตรงเวลาบ้างไปติดไว้ให้เขาหน่อยเขาจะได้ไม่เสียใจใช่ทําใจไว้ก่อนได้ได้ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าก็มีหลายคนบอกว่ามาหลายครั้งไม่เจอไม่เปิดอะไรเงี้ยค่ะทีนี้งานงานเยอะหนูกําลังพยายามหาจังหวะปรับปรับเวลา ย, ยังไม่ค่อยได้เลยค่ะพระอาจารย์ หมายถึงว่าตอนแ้กก็เขียนว่าจะทําอย่างนี้นี่แต่ว่าร่างกายเหมือนมันมันเหนื่อยค่ะก็ <c oughs> เลยส ต, ติก็พยายามพูดโธแต่ว่าหลุดค่ะพระอาจารย์เหมือนมันคิดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะพระอาจารย์เข้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาหาพระอาจารย์มาในในความตายไหมไม่นึกถึงความตายบ้างทำไปถ้าเป็นแทบตายเดี๋ยวก็ที่นี่ก็ตายเดี๋ยวก็ตายอืค่ะพระอาจารย์ เอาของที่เราเอาไปได้ดีกว่าเงินทอนเอาไปไม่ได้ค่เอาบุญไปดีกว่าเอาธรรมะไปดีกว่าเอาความสงบไปดีกว่าค่ะเดี๋ยวหนูปรับใจปรับจิตใหม่เพราะว่ามีมีความห่วงหลานชายค่ะพระอาจารย์เขาไม่สบายห่วงให้ตัวมันเขาต้องใช้เงินรักษารักษาตัวเยอะเลยค่ะพี่อาจารย์เนี่ก็ต้องหูวงเนี่ยก็ต้ว แต่เองตายก่อนใช่ไหมคะพระอาจารย์ค่ะเดี๋ยวฝึกใหม่ค่ะเรื่องการห่วงภาระอื่นๆค<า>่ะก็ช่วยกันไปตามตามอัตราภาพแต่อยา่าทาให้เราขาดทุนการช่วยเห<ม>ลือคนอื่นเราต้องไม่ขาดทุนอืมถ้าช่วยเหลือคนอื่นาขาดทุนนี่มันก็แสดงว่าไม่ฉลาดเราหน่นาจะเราน่นาจะแบก<ม>เดี๋ยวค่ะ ปรั บ, บวิธีคิดก่อนค่ะพระอาจารย์ว่าช่วยแค่ไหนที่ที่จะไม่ไม่เบียดเบียนตัวเองตอนนี้คิดว่าเบียดเบียนตัวเองมากอยู่ค่ะพระอาจารย์อืมค่ะแต่ก็แอบปล่อยไม่ได้เหมือนกันค่ะพระอาจารย์จริงๆต้องปล่อยใช่ไหมคะหมายถึงว่าปล่อยทางด้านจิตใจว่าห่วงเขาค่อนข้างเยอะเมื่อทําทางร่างกายช่วยได้ก็แค่ทางร่างกายอืมช่วย มนจิตใจเขาเลื่องเรกรรมบุญเขาทำให้เขาต้องเป็นอะไรไปเราก็ทำอะไรไม่ได้เขามีปัญหาด้านเขามีปัญหาด้านสุขภาพจิตนะคะพระอาจารย์หนูก็เลยห่วงมากหน่อยจะพาพาไปพบจิตแพทย์ทีนี้พ่อเขาจะเอาเอาจะมาพาเขากลับไปจะไม่เหมือนแบบขัดแย้งกันอะไรเงี้ยค่ะวันวันนี้ เราก็ได้บอกว่าเรากําลังรักษาลูกอยู่เพราะเขาเคยเอาอยาลูกทิ้งอะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แล้ลูกก็ก้าวร้าวเราก็เลยพยายามเอามาช่วยเหมือนไม่เข้าใจเขาพ่อไม่เข้าใจคิดว่าลูกดื้ออะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยโอ้ยเราก็พยายามช่วยพ่อก็พยายามดึงจะเอาไปสอนแบบดูๆอะค่ะพระอาจารย์แล้วเขาก็กดดันแล้วก็สติเสียไปอะไรเงี้ยคราวนี้เขาก็จะเอาลูกไปไปไว้ที่บ้านแล้วก็ไปมันไปดัดสันดานอีกอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลย เครียดหนูก็เลยเครียดเอาอีกแล้วประมาณเนี้ค่ะพระอาจารย์ที่หนูยังจัดการไม่ได้แล้วนูของเขาไม่ใช่ลูกของเราเไม่ใช่หลานของเราเหรอครัพระอาจารย์ไม่หลานของเราแต่ไม่ใช่ลูกของเราเลยอืมโอเคค่ะเดี๋ยวหนูทําใจแตพจ่พระอาจารย์ช่างมันค่ะได้ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวหนูจะพยายามอ่าปรับ ความคิดแล้วก็ช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้แล้วก็จะลดเรื่องอารมณ์ที่มีในการห่วงให้ใหลดลงค่ะอ่า ต, ตัดไปได้ก็ตัดไปเถออย่ามาแบ่งเลยตัวเราก็หนักพอแล้วะ อ, ะอย่าอาคนอื่นมาแบ่งอีกหนูว่อดสงสารนานไม่ได้ค่ะอืมไม่ให้แบกงใช่ไหมคะพระอาจารย์ทําใจ อมค่ะช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็น้องถ้าพ่อเขายากขนไปก็ยังเดี๋ยวไปคันกับพคอเขาอีกเพราะว่าเอาเอาไปแล้วหลานหลานจะแย่หนูกลัวเขาจะอารมณ์ร้อนแล้วทําร้ายคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์พ่อเขาจะยอมพ่อเขาจะยอมอยู่กัให้อยู่กับเราเลยหนูก็เลยบอกว่าถ้าเอาไปป้าจะงดการช่วยเหลือเงินทุกกรณีเขาบอกว่าผมไม่เอาก็ได้ ก็เลยก็เลยวางเฉยว่าก็แล้วแต่ก็เลยบอกถ้าเขาเอาไปก็คือค่าอะไรต่างๆที่เราดูแลทั้งลูกทั้งเขารอของงดขู่เขาเขาก็บอกไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่เราก็ก็ก็แล้วแต่เดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปตามสถานการณ์ค่ะพระอาจารย์ค่ะยากจังเลยนี่แหละค่ะพระอาจารย์สติไม่ได้เลยค่ะมีแต่ปัญหาของ คนในครอบครัควอ่าก็ไม่ยอมมองว่าเป็นอานี้จังทุกข์ขังมตาตางอือได้ค่ะพระอาจารย์เดี๋ย ว, เ ด, ยวเดี๋ยวพยายามปรับพยายามปรับใจใหม่ค่ะ ม, มันไม่ใช่เรื่องของเราเลยมันเรื่องของคนอื่นแท้ๆค่ะเข้าใจอยู่ค่ะพระอาจารย์นอกจากเข้ามา มามาให้เราให้เราดูแลอย่างนี้ก็ไปอย่างแต่ถ้าเขาไ ม, ไม่ให้ดูแลอ๋อเจ้าของก็คือพ่อเขาเจ้าของเป่นหมค ะ, ะแต่หลานไม่ไม่เพราะว่าเจ้าตัวเขาไม่อยากกลับงั้นเป็นพ่อเป็นเจ้าของอ่าเจ้าของเขา่าเจ้าของก็มอบให้เราช่วยดูแลหน่อยล้วก็ดูแลไปเอาเูินไปแต่ถ่าเจ้าของก็ยาวคืนก็ต้องคืนเขาไปอของไม่เยองเราเลย ตายค่ะเดี๋ยวถ้าเข้ามาเอาไปแล้วก็จะบอกว่าเอาลูกไปฝึกดีๆอย่าโหดถ้ามีอะไรก็ก็ช่วยอะไรเงี้ยค่ะได้ค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่ต้องได้หรอกนี่เราเพียงแต่แนะนำแนวทางแล้วหายถึงว่าหนูได้ค่ะหนูจะทําตามไม่เป็นคนเกี่ยวตั้งหนาไม่จะทำให้ทำหนูทำใ้นี่แล้วแต่ไม่ต้ามตามสบายไม่ได้ไม่ได้บังคับอะไรทั้งนั้นเพียงแต่พูดตามแนวของธรรมะนี่นะได้ค่ะ บางทีเราก็ก็ก็หลงไปค่ะ <c oughs> <ứng> ได้ค่ะพระอาจารย์อันนี้เข้ามากราบพระอาจารย์ค่ะค <c oughs> ำเสียงเบาๆเดี๋ยวค่อยๆมีสติมากขึ้นพระอาจารย์ค่ะงั้นหนูหนูพูดต่ อ, เ, อเพิ่นช่วงที่อยู่ที่ที่บ้านส่วนเนี้ค่ะมีอุบัติเหตุที่ไม่ได้ตั้งใจก็คือทำอาหารตอนแรกมีน้ำมันกระเด็นนะคะได้แผลใหญ่ แต่เราก็เฉยเฉยหมายถึงว่าน้ํามันกระเด็นใส่มือแต่แรกกระเด็นมาทางตาก่อนหมายถึงทําอาหารค่ะทอดปลาท่องโกะเพราะอยากทานแล้วก็เฉยเฉยว่าโอ้ก็ไม่ได้ตกใจอีกสองวันคิดว่าจะฝึกสติมากขึ้นก็ทําเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์คราวนี้หนักกว่าเดิมมันตกใส่น้ํามันแล้วก็กระเด็นแต่ว่าในความรู้สึกเราไม่ได้รู้สึกตกใจหรืออะไรเลยค่ะทีนี้เมื่อเมื่อวานอีกรอบ ตำตำพริกเพื่อจะทำกับข้าวค่ะมันกระเด็นเข้าเข้าเข้าตาเข้าไปตรงๆเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ในในความรู้สึกนะั้นมันเหมือนรู้สึกถึงถึงน้ำที่มันกระเด็นเข้าไปที่ตาสองสองหยดเลยค่ะพระอาจารย์แล้วมันเข้าเข้าไปข้างในแล้วเราก็ก็เหมือนแบบคือมันมันเผ็ดมันแสบมากๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนแบบพยายามหาน้ำมาล้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ในระหว่างนั้นเราก็คิดว่า เออเนาะตอนที่เราแก่เราก็เจ็บป่วยเราก็คงจะเป็นแบบนี้ละเนาะอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ในตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกแบบเหมือนตกใจแต่ก็พยายามมีสติที่ที่เราจะค่อยๆจาัด ก, การมานะคะพระอาจารย์อันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นของของการที่เราอบบพอจะมีสติอยู่บ้างาไหมคะ ถ, มถ้าไม่ตกใจรแสดนว่าใจาเราก็มีธรรมะ คทั้งสามข้างหนูไม่ไม่รู้สึกตกใจแต่ว่าก็คือแก้ไขเป็นตาปัญญามันขาดปัญญาทะวันต้องทำให้เกิดถึงสามข้างผิดตรงนี้มันก็พอแล้วผิดครั้งทสองค่ะอีกอันหนึ่งทำคำอีกชนิดหนึ่งค่ะน่าจะมีมาตรการป้องกันแล้วแต่เกิดขึ้นแล้วมันก็ควรจะไม่มีไม่จดจาไม่มีบทเนี้มาสอนใจเลยหรือว่าประมาทใช่ไหมคะพระอาจารย์ขาดปัญญาขาดปัญญา อืมค่ะขาดสติขาดปัญญาขาดสมาธิขาดครบเลยขาะช่วงนี้เดี๋ยวหนูจะพยายามควันนี้มีอะไรเรื่องไม่ดีมาเล่าให้ฟังไมไม่ดค่ะหายไปนานโดนตากับไปหมดเลยนะติดลบหมดเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะวันพุธหนูมีเวลาแล้วเดี๋ยวได้มาพบอาจารย์เดี๋ยวทำคิดให้ดีก่อนคิดให้รอบคอบก่อนได้ไหมค่ะ เอาประวัติเอาเอ า, เอาเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนสอนใจอั น, นั้นมันผิดก็อยะไปทำให้มันผิดซ้ำอกอืมค่ะได้ค่ะพระอาจารย์มีทนเดียวก็พอแนละ้วสามผนละ่มายังขอให้ครบสามหนนะคะแต่แต<ม>่ได้คิดไ ม, ไม่หาแะ้วมาใสา่ใส่วงสายแว่นอะไรกันมบ้างเรีไงจริงด้วยค่ะไม่ไม่ไม่นึกว่าตำละ น้ำผิดจะกระเด็นเดี๋ยวว่าหลังหาแว่นกันค่ะพระอาจารย์หาอะไรมาป้องกันเรือย่าไปทำมันเองไงซื้อกินดีกว่าสบายกว่าอ๋อแต่ว่าจะอยู่แบบสันโดดทำเองแต่สันโดดอบนี้วุ่นวายแยากว่าเดิมเดี๋ยวละมัดระมังก่อนค่ะพระอาายอนอานติศ อหานตามสั่งมีเยอะยะสังว่าปุ๊บเขาก็มาส่งให้นะสบายกว่าเยอะหนูหนูสับปลู ก, กขัดนะคะพระอาจารย์ไปกันใหญ่นะเป็นภาระอีกใช่ไหมคะเอมเอาเวลามานั่งสมาธิดีกว่า อ, อ๋อค่ะพระอาจารย์หนูก็ก็หลงไปไม่รู้จักวิหาจัดการเวลาเลยเวลามีคุณค่าจะตายไหมอืมค่ะ เ, เวลาของแต่ละคนเนี่ยคนนึงอาจจะหาเงินเป็นล้านชั่วโมง กาคอนอาจจะหาเงินแค่เป็นบาทสิบบาทยี่สิบบาทมรือช่อยู่ที่สติปัญญาของแต่ละคนนันจะรู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้างค่ะได้สติเลยค่ะพระอาจารย์โดนไปหลายดอกอา้าวนานๆเดือนทีต้องมีช่อ ง, งมีช่องให้พูดต้องพูดนะอยาจะหาว่าไม่ไม่สนใจเลยเน<ง>ี่ เดี๋ยวยาวไม่สนใจไม่ไม่ไม่ว่ากล่าวตักเตือนคุณพ่อไล่มาหาพระอาจารย์ด้วยค่ะวันนี้ไปไปไป <c oughs> ไปหาคาารูบาอาจารย์ <c oughs> ได้ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวปรับอีกรอบค่ะถอยหลังก็พอแล้วเวลาทาํววาทงานที่ไม่จําเป็นลงให้มันน้อยลงดีกว่าเอาเวลามันทางานที่สําคัญคืองานจิตใจนี้มาอืมค่ะได้ค่ะพระอาจารย์หลงไปเยอะเลย ได้ค่ะพระอาจารย์ตั้งต้นใหม่ค่ะมีอะไรจะเล่าอีกไหมไม่มีแล้ารกัวโดนอีกเดี๋ยวเดี๋ยวพุนหนาค่อยมาเล่าให้พระอาจารย์ฟัง่าทำอะไรบ้างค่ะประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์พยายามใช้เอาเวลาให้ของการภาวนาการปฏิบัติธรรมดีกว่าพราะประโยชน์ที่เราได้รับจากการภาวนาแล้วเอาไปได้ แต่ประโยชนจากการทำน้ำพริกทอดปลาทองโขลกเราไปไม่ได้เสีเยเวลาคอทำไมจริงด้วยค่ะพระอาจารย์หลงไปค่ะหลงไปเยอะเลยกิเลส ม, มันหลอกกิเลสไม่ช่บวันเราภาวนากันกิเลมันเก่งดึงตลอดค่ะได้ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวปนะ<อ>รับอมอ่าเราไปคิดดูก็แล้วกันค่ะเห็นอยู่ค่ะพระอาจารย์ โอเคได้ค่ะสาทุค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆค่ะคุณสาธกาต่อคุณสาธกามาฟังธรรมชาวพระอาจารย์ป้านเป็นร้านเป็นร้านขายยาเหมือนกันหรือเปล่าเออเป็นร้านขายยาค่ะขายยานะแต่เล็กๆไม่ได้ยาเล็กอเล็กกระจิบเดียวแต้องมีใครมีเภสัชกรหรือไม่มีไม่ต้องแฟนอยู่หน้าร้านลูกอยู่ในร้านแล้วแฟนก็เป็นเภสัชไห ใช่ค่ะละออกเหมือนกันค่ะเ ป, เป็นเป็นเภสัทั้งคู่เลยอ่าลูกเป็นพยาบาลแล้วก็ออกค่ะแล้วก็แฟนก็ขายแล้วลูกก็อยู่แต่ข้างในบ้านอืมขายดีไม่กีวันว น, นึงก็ก็ได้คะ่ะอาจารย์แต่ก็ไม่ได้ก็ได้แหละมันก็ไม่ได้เยอะมากเ็าลูกไม่ได้อยากทำใหญ่อยู่กันแบบพออยู่พอกิน ใช่ใชไม่ให้ลำบากแค่แต่พ่อดูแลแม่พอแล้วก็ลูกด้วยก็เลยไม่ได้แบบทำอะไรมากมายอ่ะก็ดีไม่ต้องโลภมากนะเงินท่องเอาไปไม่ได้เอาบุญไปดีกว่าก็พระอาจารย์สอนว่าไม่ต้องอันานั้นแล้วมันก็เข้าคอนเซ็ปต์ลูกแทนพอดีว่าเราก็ไม่ได้มีลูกก็ไม่ต้องขยายไมันก็เหนื่อยค่ะก็ อ, อยู่ประมาณอย่างนี้ค่ะดี ค่ะนอโอเคนะเอาภาวนานะออนละเอางานภาวนาเป็นหลักอ่า ล, ลูลูกเห็นคนแก่หลายๆคนนะคะที่ที่รู้จักแล้วก็เขาภาวานานะคะประจาอ่าอ่าลูกไปเห็นวาละสุดท้ายอะไรอย่างงี้ก็ชอบแดบดนะ้นีม่มันเงียบสงบแล้วก็มันไม่มีอารมณ์แบบมันมันมัน มันไม่มีอารมณ์แบบไม่ดีเลยค่ะอันที่ปฏิบัติดีๆเนะคะใช่เห็นใ จ, ใจใจสงบ่งอ่าค่ะไม่หลงค่ะเพราะว่าลูกไปคุยอะเข า, าเออเออเขารู้จักายญ า, เ, าเอ้รู้จักกแฟแล้วก็ไปคุยแล้วก็เสร็จแล้วก็เขาไปคุยก็ไม่ได้เรื่องธรรมะอะไรนะพิจารย์ก็ช่วยคุยเรื่อยๆเขากข้ากักนล่อตลอดหนึ่งชั่วโมงอะค่ะ แล้วก็เสร็จแล้วก็หลังอเขาบอกว่าลูกคุยตลกลูกเพราะว่าลูกอะเป็นคนอยู่กับแม่กับคนแก่ๆอยู่กับยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอก็เลยพูดอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะแล้วก็ตอนหลังรู้สึกเขาจะย้ายไปที่กรุงเทพแล้วก็ไปเสียชีวิตไปเก้าสิบแต่เขาก็บอกลูกหลานเขาว่าแบบเออคุยกับลูกแล้วสนุกค่ะอื เราในที่สุดก็ต้องไปสู่ความตายนะกันทุกคนนะั่นแหละตายใช่แล้วลูกก็ไปเห็มแม่เพื่อนพ่อเพื่อนอีกอะค่ะที่แบบอืมเขาก็ปฏิบัติธรรมอย่างนี้ค่ะอืมแล้วก็แม่ลูกก็ปฏิบัติก็ประมาณไปอย่างนี้ยค่ะพระอาจาอืมอืมธรรมดีสุดแล้วแหงธรรมชนะ้วทั้งป่วนใช่แล้วก็แฟนน่ะเขาก็เริ่มแบบเดี๋ยวนี้ค่ะตั้งแต่แบบบอก ก็คือผ่านไปไหมาเขาก็จะได้ยินได้ยินลูกเปิดเทศอย่างเงี้ยค่ะของบาอาจารย์<ม>เออแล้วเขาก็วางมรณานุสติไว้เขาก็ไม่ทํามากเพราะว่าบอกเขาว่าตายไปแล้วอออะไรไปไม่ได้ไม่ต้องทับไม่เดือด<ม>ก็ถิงไว้มากมตามบาอาจารย์สอนนะคะเด้อโอเคครับรักษาความสงไว้นะค่ะค่ ะ, ค, ะ, ะคุณซันซนนี่ แม่แม่นอนแล้วเลยก า, การนมาสการค่ะพระอาจารย์ยังยังไม่นอนค่ะแต่ว่าแม่ <c oughs> ยังอยู่ค่ะวันนี้ <c oughs> สักคุณนะคะพระอาจารย์ไม่เป็นไรไม่ดี้นรอนมา <c oughs> ทักทายกันหน่อย <c oughs> ได้ไหมนแม่ <c oughs> มยังยอยู่บนดอยอยู่ะ <c oughs> กับแม่มักกัดกับอาจารย์อยู่บนดอยสบายดีค่ะหนาวเนี่ยอยู่ดอยเอเวอร์เรสต์สนุกเลยน่าจะอยู่อีกนานนะคะเอเนะ่ยทำใจทำใจไว้แค่เป็นเงินฝากก็แล้วกันคิดเป็นเงินฝากกับไปฝากประจำไว้เลยแบบไม่มีดอก แต่ฝากประจำตั้งไว้85แล้วเมื่อไรจะมา85ไม่ไม่ได้ตั้งใจซื้อฟอดีว่าจะมันมีให้ให้ค่ะไอ้ซื้อทันทีกับตั้งราคาประยมจะตั้งราคาแต่ดันไปใส่จำนวนทองก่อน มันไปโดยอัตโนมัติอัตโนมันติตเลยอืจริงๆเราต้องตั้งเลขก่อนแล้วค่อยมากดอ่าเรามาใส่จํานวนที่จะซื้อห้าบาทสิบบาทอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ดันไปใส่ก่อนแล้วมันไปเลยมันไปหน้าราคาตรงนั้นเลยมไม่ได้ตั้งใจเลาดกันไม่เลวลาจะเป็นโชคของเราก็ได้อาจมันเป็นหนึ่งรางดูขึ้นม า, ดนมาได้แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ทุก ไม่ได้ทุกค่ะเพระาะว่าปล่อยวางแล้วเจ้ามือไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวก็ได้ <c oughs> ดีได้หยุดเล่นเลยเหมือนที่ระอาจารย์บอกพอเงินหมดก็หยุดเล่นที <c oughs> ่เหลือก็ต้องเก็บไปเดินสดมัง่งเลยหยุดเล่นไปชั่วคราวชั่ว่าจะได้มาใหม่ไม่ั้นติดเหมือนคนอื่นเขาติดยาติญาติเติดกันคนห้าสิบห้าบาทขนาดขึ้นไปแปดสามก็ยังซื้อทนันงงมากเลยบอกเดี๋ยวยังซื้อทันนะแปดสามขึ้นแป๊บเดียวเองแปดหมืนสาม ก็ซื้อไปห้าสิบ้าบาทเตดแล้วอีกคนหนึ่งสามสิบ้าบาทติดกันเป็นแถวเลยก็ซื้อเยอะแต่ว่าเวลาได้ก็ได้เยอะตอนนี้อยู่เท่าไหร่ตอนนี้มันเจ็ดสองสามร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าไซเวตอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ไปไหนแล้วพักก่อนพักรออะตอนนี้พักสมองแล้วก็พยายามที่อาจารย์บอกว่าอ่านนิด ดังน่าตาแต่แต่ไม่เอาทุกขังไงค่ะเพราะไม่ทุกถ้าเราทุกไปขังแล้วมันมันทุกทุกไม่ต้องขังก็อย่าไปทุกกับมันไงคือจะต้องเฉยเฉยมันไไม่ด้ห้ามมันไม่ได้ค่ะดวงจะติดโดนค่ะโอเคจะได้พูดอะไรไหมอาจารย์สบายดีนะคะจ้าสบายดีวันนั้น พระจานาร์เทศไปเจ็ดว in <in> <ifications> right. like ันยังนั่งบนกับซันนี่ว่าสงสารพระอานาร์จังเลยเจ็แปดวันรวดเดียวคงจะเจ็บคอมากเลยเจ็บคอไหมคะไม่หรอกเป็นปกติเที่ยวแค่ครึ่งชั่วโมงสัธเตะเจวอะไร่างเงี้ยซันนี่คุยต่อไม่เหนียแล้วจ้ะแต่ว่าเร็วๆนะจ้าสาธุสาธแลงเร็วแต่ว่าก็ไม่ลืม อ่าพุดโทรพุทโธพุดโทรตลอดเวลาที่อยู่ว่างๆนึกขึ้นได้ก็พุทโธตลอดกับไม่เคยลืมตอนนอนก็ขอยิ้มขอยิ้มได้หัวเราดได้ก็พอแล้ว่ะคัไม่ได้ตุกกะกะกะนั้นปล่อยวางมาแล้วคันก่าก่าก่าก่าตุกกะบอาจารย์ค่ะมีเขึ้นมีลงเป็นธรรมดานะค่ะค่ะ แต่เพิก่กลับคุณค่ะโอเคหน <mm> <Okay. S 1> ูมาลองฟังธรรมค่ะพระอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะวันนี้ไม่มีคำาง <mm <it> น, นะฮะนไปที่คุณ di. ยินดีต่อเลยยินดีย้ายบ้านแล้วเหรอหรือบ้านเดิมย้ายหรือว่าท <mm <en> ่าอาจารย์ไม่ได้ย้ายค่ะที่เดิมคะ่ะเอ่ ม, อไไมีไม่มีคะ่ะท่านอาจารย์ปฏิบัติเหมือนเดิมคะ่ะท่านอาจารย์อืมชีวิตเหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ ก่อนไปก็บอกว่าวันนี้อาจารย์มานะฝากก <Okay. S 2> ราบก็บอลสองเต้ น, นะอย่าลืมนะออขอบคุณมาก <c oughs> ใครเขาสุขภาพแข็งแงเช่นกันนะสาธุค่ะลูกขอบคุณท่านจามิหยางสูงค่ะอ <Okay. S 2> ไปที่ลักสมบูรณ์คุณปุ้ยแจงคุณปุ้ ย, ย, ยาการนมัสการค่ะพระอาจารย์เอได้ยินคุณปุ้ยไหมคะได้ยินจ้า อ่าคนปุ้ยสบายดีค่ะท่านอาจารย์เ่นคุณปุ้ยปฏิบัติตามท่านอาจารย์ที่ให้สัญญาไว้แต่ว่ามีแค่หนึ่งวันนะสองวันนะที่หย่อนนะหย่อนไปค่ะแต่ว่าโยมก็สวดมนต์เช้าเย็นแล้วก็นั่งสมาธิตามเวลาค่ะโยมก็ออกไปเดินเวลาออกไปเดินโยมก็จะพุโทโธพุโทโธในสวนแล้ว เออเมื่อวานโยมไม่ได้ออกไปไหนเพราะโยมปฏิบัติเพราะว่าโยมบอกให้พระมาปลุกโยมแล้วโยมไม่ไม่ตื่นอ่ะกินอะไรก็รู้สงสัยจะกินยาค่ะแล้วแล้วโยมออกไปเดินเมื่อสองวันก่อนน่ะโยมออกไปเดินแล้วมันสงสัยโยมจะจิตบุงแตกท่านอาจารย์โยมรู้สึกเหมือนคนมีคนเดินตามโยมอ่ะมันเป็นป่าป่าป่าในเมืองแล้วแบบมันคือคือมันกลางวันน่ะแล้ว มันก็ไม่มีคนมันก็ไม่มีขโมยนะท่านอาจารย์แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะโยมจิตปรุงแต่งหรือเปล่าโยมเดินท่องไปแล้วทีนี้โยมก็กลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวขโมยมันจะมาที่เราหรือเปล่าแต่มันจริงๆแล้วมันไม่มีหรอกแต่ว่าแต่มันเหมือนกับเวลาเราหยุดงงไว้เล่พุทโธพุทโธงงไปอะไรจะเกิด้นเกิดท่านอาจารย์บอกว่าพุทโธเลยอี่าอย่าหันไม่มองโยมก็เออหันไปมองหน่อยพ่ากลัวเดี๋ยวเกิดมีใครตามเราเออเนี่มันก็ไม่มีนะ นีโยมยมก็เอ๊ะสังเกตดูเอ๊ะพอเราหยุดเขาก็หยุดพอเราเดินเขาก็เดินเนี่ยโมก็เลยแบบเหลือบเหลือบไปดูเอ๊ยมีใครหรือเปล่ากลัวไงแบบพวกคนติดยงติดยาอะไรอย่างเงี้ยมันจริงๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะมันปลอดภัยเมืองเนี้ยแต่มันก็พอถ้าสงส<ะ>ัยก็หยุดหันไปดูเลยที่จะได้หมดเรื่องหมดราวไงถ้าโยมก็หยุดหันไปดู ผมไม่มีอะไรแต่ผมยมก็จะไม่ได้รู้ว่ามันเป็นเรื่องของวัมโนทมของเราเองใช่ยมก็จะก็เลยคิดว่าอ๋อจิตเราปรุงแต่งไปเองยังคิดไปเองแบบคือยมมีรากฐานของการกลัวผีมาก่อนแล้วนี้เออยมก็บอกท่านอาจารย์ตั้งแต่ปีแรกแล้วนี้ความกลัวผีของของโยมเนี่ยมันแบบหายไปแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วค่ะทําทําว่าถ้าโยมจะต้องเจอ คือคำพูดจะตอนนี้ว่าโยมก็พูดกับท่านอาจารย์ว่าโยมไม่กลัวแต่ถ้าเอาจริงๆถ้าเกิดมายืนอยู่ตรงหน้าโยมก็ไม่รู้ว่าโยมจะกลัวหรือเปล่าะนะฮะแต่โยมก็เคยเคยเคยเห็นแบบแวบๆอะไรมาอย่างนี้การกลัวก <นะ S 2> ็ใช้พุทโธพุทโธพุทโธ ท, ท่องพุทโธไปใช่ค่ะแล้วโยมโยมฟังเทศท่านอาจารย์วันนั้นคือโยมเข้าใจแล้วว่าการที่ว่าเราท่องพุทโธทําไมหลวงปู่มั่นถึงบอกให้เราท่องพุทโธเพราะว่า เวลาที่โยมท่อง่องไปมากๆและโยมไปเดินข้างนอกมาท่องท่องท่อท่อง่อ่ อ, อ, อ, อ, อไปโดยที่มันจะเวทศาสตร์สมองโยมหรือประสาทโยมมันจะว่างมันเหมือนไม่มีอะไรเลยแล้วเวลามานั่งสมาธิโยมก็นั่งได้เมื่อสัปดาห์ก่อนสองสัปดาห์ก่อนโยมจะมีปัญหาเหมือนกับจะทำไงเหมือนกับพยายามอ่ะที่จะผลักดันตัวเอง ให้นั่งสมาธิให้ให้สมาธิให้มันใค้มันมารวมรวมรวมรวมเนี้ยทายังไงก็ทาไม่ได้ทำยังไงก็ทำไม่ได้งไงไไดขนาดฟังวงตามมหาบัวยมยังฟังไม่ถึงครึ่งยมก็แบบเหมือนสติจะหลุดออกมาแล้วก็โยมก็ไม่ผ่านทุกขเวทนาแ่เแบบมื่อเช้ายมฟังแล้วยมก็ขอขอท่านก่อนแล้วยมก็เออรู้สึก ดีแล้วโยมก็ฟังพระอาจารย์แต่ว่าเทปมันสะดุดสะดุสะดุใช่ไหมเมื่อเช้าเนี่ยแล้วแต่โยมก็ไม่ได้สนใจคือคือโยมก็นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งไปนะแบบมันรู้สึกมันสติสงบค่ะแล้วโยมเข้าใจแล้วว่าอันที่ท่านอาจารย์พูดคําว่าเอาเอาเอ า, เอาลมหายใจมาดูมาให้ดูลมหายใจตรงจมูกคือโยมก็ทํำไงว่ะตอนแรกยมก็นึกมาต้องเป็นบีดีแล้วยมก็เห็น มันเหมือนลมหายใจร้องเพลงพระอาจารย์เอ่อเข้าใจโยมไหมฮะเอะคือเวลาโยมหายใจเข้าไปโยมผ่านตรงจมูกแล้วโยมดูอยู่ตรงตรงปลายจมูกแล้วแบบมันจะมีเสียงคือโยมเข้าใจได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองอะ่ะพานอาจารย์โยมทําถูกใช่ไหมพูดดังหน่อ ย, อยได้ไหมเสียงค่อยไปหน่อยโยมบอกว่าโยมอะเอ่อทำตัวนะเอาเอาเอาเหมือนกับ คือโยมเรียนมาจากทางนูน้นะ่ะยมก็นดูดูดูลมหายใจเอาลมหายใจอยากมามาดูตรงเนี้ยอย่างที่ท่านจะสอนเนี่ยและลมก็หายใจเข้าไปแล้วมันก็เหมือนกับเราได้ยินเสียงลมหายใจของเราแล้วดูมันแล้วมันเหมือนกับมันข้างในมันไม่มีไส้ไม่ผีพุงเลยท่านอาจารย์เ๋ออย่าไปคิดอะไรให้ให้รู้เฉยๆรู้ว่าเข้ารู้ว่าออกก็พอไม่ต้อไป มองอะไรอย่างหนึ่งยมไปฟังคิปท่นอาจรอันหนึ่งท่านอาจารย์บอกว่าให้ให้ให้โยมอะถ้าเกิดวโยมไม่มีสติแล้วก็ที่ท่านอาจารย์สอนบอกว่าให้ท่องไ อ, อ, อค้คนคนคนคนผมคนผมคนเล็บฟันอืมะได้ใชท่องก็ได้ใช้คําบริกรรมก็ได้เนี้ยเนี้ยเนี้หนึ่งสติเข้ามาถ้าโ ย, ยมก็เลย นึกนึกขึ้นไปแล้วก็นึกภาพด้วยแล้วมันก็ ม, มันก็ดีนะแบบแบบเหมือนกับสติอะมันเข้ามาเพราะเวลาที่โยมนั่งสมาธิล้ะบางทีบางโอกาสบางเวลาคือคือคือพุทโธพุทโธแล้วอย่ทีนี้จิตโยมอะมันจะอย่างเงี้ยมันจะเหมือนลิงอะมันจะหูกรบอออกไปอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วโยมก็ต้องเมื่อช้านี้โยมก็ได้ได้ไคําเนี้ยมาแล้วก็โยมก็ท่องท่องท่องท่องแล้วก็ในใจอะโยมท่องท่องแล้วมันก็ รู้สึกมันนิ่งแะ้วแบบเออเราก็รู้สึกสงบแต่ถามว่าจะต้องให้โยมไปเห็นสวรรค์อะไรมั้ยเปล่าหลอกโยมไม่ได้เคยคิดว่าโยมจะมีบารมีถึงขนาดนั้นค่ะอืดีการปฏิบัติ ม, มัน ก, มนก็มันก็จะส่งผลให้เราเองพยายามทําไปใช่แต่โยมไม่เคยหวังอะไรโยมหวังแค่ว่าอ๋อให้เราทําบุญให้เราได้บุญแล้วก็ให้เราก็ได้ใจที่สงบ ก, กลับมาค่ะ โอเคทุเจ้านะทาต่อไปนะทำทําตลอดค่ะโยมนะให้สัจจะ ก, กับธัรมจิ์แล้วว่าโยมมาถือศีลเจ็ดจุดห้าอะกลางวันนะไม่มีนะศีลเจ็ดจุดห้าไม่มีในคำสอนพูะเจ้าอ๋อ ไ, ได้ศีลห้าหรือศีลแปเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วอะถ้าท่านอาจารย์ไม่ถือนะโย ม, มาออกไปทาธุรกิจโยมก็ต้อง ไก่งามพวกคนคนงามพวแต่งแลแต่จริงๆแล้วโยมไม่ได้ เ, ออเลอะเทอะนะออออและโยมสินแปดอังกังวลถ้าถือสินห้าไนะปก็ได้น่าถือสินปดไม่ได้ก็ถือสินห้าไปโยมถือสินห้าไม่ได้โยมถือเลยสินห้าแล้วนะ่ะ <Yeah. S 2> เดีโอเคใช่ท่านอาจารย์โยมไม่เคยท่านนะไม่เคยทานตอนเย็นเลยนะโยมมันมีวินัยมากเลยเพราะโยมบอกกับท่านอาจารย์นั้งแต่สามปีที่แล้วอ่ะว่าโยมจะไม่ทานโยมก็ไม่ทาน แล้วทำไมนะอีกแค่จุดท่าทำไม่ได้นะอ๋อเวลาที่ออกไปติดต่อกลัวเขาว่าเราหน้าเหมือนผีอ่ะของก็มาค่ท่านอาจารย์โมไม่โกหกนะอาจารย์ก็เห็นว่าไปไม่ได้เลยเราเป็นนักปฏิบัติทำเราไปกลัวอะไรกับคำคำสรรเสริญนินทามันเป็นธรรมดาของโลาเรายังต้อง เอใช้ปัจจัยในการเลี้ยงตนมันไม่เกี่ยวมั้งเราหน้าตาไงครับมันไม่ได้อยู่ที่หน้าตาเราเวลาคนก็ติดต่อทารกเรายมว่านิสัยยมด้วยมันทุกชาติทุกพบมันอยู่ที่ความสามารถของเราต่างหาไม่ได้อยู่ที่หน้าตาเรายมว่านิสัยยมด้วยนะมันต้องแก้ตรงเนี้อะเพราะยมเป็นคนติดเนยแบบเดี๋ยวบางทีนะมือมันซนเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ย พอเวลาโยมโยมก็จะนั่งเออเอาและฝนมันจะตกนะแบบเราจะไม่ออกไปนอกบ้านจะถึงสินะล้อ้อาวมานั่งแต่งหน้ะแบบมันเหมือนกับคคุ้นเคยหรือเคยชินโยมต้องแก้ตรงนี้ค่ะพรอาจารย์พยายามพยายามโยมก็ต้องรวยก่อนอ <c oughs> าจารย์อาจารย์โยมจะมาขอน้อมถวายถวายบุญกับพรอาจารย์เจ้าค่ะ ยาสาธุนโมตะวะโยมไม่เล่นหวยไทยแล้วนะโยมเป็นคนดีค่ ะ, อ, ะอาจารย์อ๋อแต่โยมเล่นหวยฝรั่งค่ะขอเข้ามาค่ะขอให้พระอาจารย์ทัดฉันแข็งแรงเจ้าค่ะท่านอาจารย์ไม่ได้ยินโยมหรอขอให้พระอาจารย์ทัดฉันแข็งแรงเจ้าค่ะ นกนรับขอ ข, อขอมาเจ้าค่ะหลวงพ่อปิดไม้เจ้าค่ะเอ่ามาแล้วมันหันมันหอนดังมากก็เลยปิดไม้แล้วก็อาาโอเคเบาลงฮะบางทีมันหาวมันหอนดังมากไม่อยากจะให้ญาติโยมต้องฟังด้วยก็เลยปิดไม้ไว้โ อ, โอเคนะคุณปุ้ยอาจารย์ด้วยอายุวนันเราสุขังพลังนะ กราบขอบพระคุณขอให้พระอาจารย์ทัฐานแข็งแรงเจ้าค่ะน้าท้าเจนีา้เป็นปู่เป้ต่ปู่เป้กราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูนะเจ้าค่ะน้าได้ยินชัดเจนเจ้าค่ะพระอาจารย์ของหนูก็ลุยปฏิบัติค่ะพระอาจารยา์พระอาจารย์เจา้าค่ะประเด็นหนูจะพูดเรื่องของหนูที่หนูได้จากพระอาจารย์ใช่ไหมเจ้าคะ ก่อนที่หนูจะผ่ากระโลกหลายรอบอ่ะค่ะพระอาจารย์หนูเป็นพยาบาลประเมินความปวดผู้ป่วยอะค่ะเพนสกออย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เวลาคนไข้ทุกกายอะค่ะพระอาจารย์พอดีหนูก็เลยสงสัยเพราะว่าหนูอยู่หลายโรงพยาบาลก่อนจะมาดูแลพระอาพาษณ์อะคะ่ะหนูเลยเห็นแบบถาเราว่าเวลาปวดจะดิน้นใช่ไหมเจ้าคะแต่ว่าพอมาเจอพระอาภาษ ก่อนที่ทา mm ่านมรณภาพอ่ะค่ะท่านไม่ค่อยดิ้นท่านจะนิ่งอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยมีความสงสัยท่านไม่ค่อยขอยาแก้ปวดนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นพระจากต่างจังหวัดค่ะพระอาจารย์มารักษาที่าเจ้าค่ะพระอาจารย์ท่านมารักษาโรงพยาบาลสงค์นะคะเพราะว่ารักษาปีอะค่ะพระพิษุอาพาสอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าท่านเปปัจใจอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์หนูก็เลย อยู่หลายโรงพยาบาลหนูก็เห็นตรงนี้แล้วค่ะว่าเอ๊ะทำไมอยู่ด้านคารวะคารวะ ด, ดิ้นอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์แล้ว<ร>ทาไมเจ้าค่ะพระอาจารย์พอมาอยู่กับพระพิสุสงฆ์ท่านก่อนมรณภาพท่านเฉยๆกับกายอะคะ่ะพระอาจารย์หนูก็เลยว่าเอ๊ะหนูก็แปลกใจตรงนี้พอหนูมาผ่ากระโหลกหลายรอบเนี่ยหละคะ่ะพระอาจารย์แล้วมาทุกตัวเองเนี่ยแหละคะ่ะหนูก็เลยได้ประเมินตัวเองเลยแหละคะ่ะพระอาจารย์แล้วยิ่งได้ จากพระอาจารย์เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะพระอาจารย์หนูเลยได้เห็นของดีทางใจเนี่ยค่ะพระอาจารย์คือโอ้หนูเข้าใจเลยว่าที่ไม่ค่อยปวดกายอ่ะค่ะเพราะว่าใจไม่ได้ทุกข์ด้วยอ่ะค่ะพระอาจารย์หนูเลยว่าโอ้ธรรมะโอสถของดีตรงนี้ค่ะพระอาจารย์ก็เลยแบบไม่ได้ขอยากแก้ปวดเยอะหนูก็เลยเอาร่างกายไปผ่าหน้าตรงหน้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็ผ่าต้นขาที่ซ่อมมุมปากอะค่ะพระอาจารย์ หนูแทบจะไม่ขอยานะคะพระอาจารย์เราหายไว <Gas> ้มากค่ะพระอาจารย์เดอเก่งมาโอ้หนูหนูเลยเห็นของดีทางใจจากพระอาจารย์ด้วยนะคะจากการฟังธรรมปฏิบัติธรรมหนูเลยว่าบอสเห็นว่ามีจริงอ่ะค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยบอกบอสทำมโอสถยาใจของจริงค่ะพระอาจารย์เพราะว่าหนูก็เลยมองเลยค่ะพระอาจารย์ว่าใจแยกออกจากกายได้เนี่ยค่ะจากการรืปฏิบัติและฟังธรรมนะค่ะพระอาจารย์เป็นยาใจของจริงค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยมองว่า อ๋อเป็นเพราะว่าใจเรามาร่วมปวดกับกายนี่เองมันทําให้ปวดมากเลยค่ะพระอาจารย์คนไข้เลยดิ้นทุรนทุรายค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยว่าโอนนี่ของจริงเลยแบบว่าช่วยให้ใจไม่ได้มาแบบอะไรกับกายอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ในการปฏิบัติธรรมแล้วลุยเลยค่ะพระอาจารย์เอ้หนูได้ตรงนี้หนูเลยแบบโอ้ของจริงเลยค่ะพระอาจารย์หนูเลยกาบอกผู้อื่นว่าพระอาจารย์เป็นพระธรรมของจริงเลยค่ะพระอาจารย์ออ ตรงนี้แหละสติสักสมาธิเยอะๆแล้วก็โปรงอันนี้จังทุกขังวินาตาเจ้ขขาพร า, าจารย์เพราะว่ากิเลสนี้เต็มตัวถ้าถ้ายิ่งพูดเยอะหนูก็เลยว่าครูบาอาจารย์จะไม่ค่อยพูดเพราะว่าเหมือนกิเลสมันพร้อมที่จะให้เราแบบพูดเยอะๆเลยนะเจ้าขาพร า, าจารย์คือต้องแบบมีสติว่าจะพูดอะไรอย่างเงี้ยด้วยขาพร า, าจารย์หนูก็เลย โอเข้าใจเลยเรื่องเกี่ยวกรณีการรุนยาฆาตอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ hmm. ที่ว่าป่วยดิ้นทุรนทุรายแล้วต้องเราเหมือนประเด็นเป็นพยาบาลเวลาผู้ป่วยใกล้จะเสียชีวิตอย่างนี้ฉันไม่จะคะพระอาจารย์เราให้ยาเพื่อแบบให้เขาไปสบายกลายเป็นพอหนูมาดูเรื่องบัญชีบาบัญชีบุญที่หนูไปเจอมาหนูว่ายิ่งบาปไปเลยค่ะพระอาจารย์เหมือนเรา hmm. เหมือนเราแบบว่าปรารถนาดีแต่ว่า เป็นการส่งเสริมบาปโดยไม่รู้ตัวค่ะพระอาจารย์บาตรงานดีประสงค์ร้ายเขาเรียเจ้าค่ะพะอาจอนโอ้หนูรู้ว่าการหุดยาค่าเนี้ก็อันตรายแบบว่าต้องดูประเมินตนเองอย่างเดียวค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยว่าลุยทางใจของตัวเองเประเมินตน เ, เองเลยค่ะพระอาจารย์ค่ า, าต้องค่ากีเ่เลยค่าตัวที่อยากจะให้ ความเจ็บายไปตัวนี้ที่มันทําให้ทร ม, มานใช่ค่ะพระอาจารย์หนูเลยว่ายืนยันของพระอาจารย์ของจริงเพราะว่ามาประเมิตนตนเนี่ยแหลคะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าประเมินแต่ผู้อื่นเลยไม่รู้ว่าของจริงเนี่ยมันอยู่กับตัวเรานี่เองค่ะพระอาจารย์ชื่อก็เลยบอกว่าโอ้หนูมีของดีมีพระอาจารย์เป็นโค้ดเลยคะ่ะได้ธรรมมาจากพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ส<ข>าธ<า>ุเลยเอาเพลงดาเอาคําสอนของพระเจ้ามาฝากแค่ น, นั้นเ่ง เป็นเป็นหมอเลยค่ะพระอาจารย์หมอทำเลยค่ะพระอาจารย์เป็นทั้งหมอเป็นทั้งเกษตรไปเลยค่ะทางใจค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุเลยค่ะคุณนิสาต่อคุณนิสาเอเอแมนครับบีเคเคน้องจ่าในพิธีการค่ะพระอาจารย์ก็เข้ามาร่วมรับฟังค่ะพระอาจารย์ไม่มีคาถามาค่ะเคก็รักษาใจค่ะตามที่พระอาจารย์สอนค่ะ สงบดีนะค่าสงบค่ะออก็อยู่ได้ค่ะค่ะอาจารย์ก็พยายามพยายามให้ไม่ให้เกิดกิเลสค่ะค่ะอาจารย์พยายามผักกิเลสออกไปค่ะคระอาจารย์ค<า>่ะก็ให้พระอาจารย์ท่าขันแข็งแรงนะคะคุณจุ๊บโกเบนวาสการ์พระอาจารย์เจ้าค่ะอืม เปยังไงวันนี้มีอะไรไหมอืมพอพระอาจารย์ครับหนูมีคําถามเจ้าคะ่ะพระอาจารย์คือออุเบกขากับความเฉยเมยเนี่ยเราจะแยกออกจากกันเราจะแยกกันได้ยังไงครับเพราะเขาก็บอกว่าบางทีความเฉยเมยมันก็เป็นอุเบกขาปลอมอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์อา่าคืออุเบกขานี่เฉยแต่รู้ว่าอะไรกําลังเกิดขึ้น เขาด่าเราเราก็รู้ว่าเขาด่าเราเขาชมเราเราก็รู้ว่าเขาชมเราเพียงแต่ว่าเราไม่ไปไปตอบโต้เขาด้วยความโกรธหรือความเสียใจเราลุ้ยเฉยเฉยสนใจไหมนี่เราไม่รู้นะว่าเป็นยังไงเฉยไหมอาจจะเฉยข้างเฉยข้างนอกแต่ข้างอาจจะคุกคุนด้วยความโกรธก็ได้น้อนี่หรือเปล่าค่ะอาจจะเป็นอย่างงี้ไหมค่ะ คือเท่าเท่าที่หนคือบางที่อุเบกขาอย่างอย่างอุเบกขาเนี่ยอย่างเวลาที่เราเห็นอะไรแล้วเราเออสักแต่ว่ารู้อะไรเงี้ยมันก็แล้<ร>ใจใไม่ร้อนใจเย็นเห็นอะไรก็เย็นเขาด่าเราก็เย็นเขาชมเราก็เย็นแต่มันก็เหมือนจะมีความปลอมขึ้นมาก็คือความเฉยเมยซึ่งมังทีแบบว่ามันเป็นอุเบกขาเพราะว่าเฉยมก็อาจจะแสดงข้างนอกเฉยแต่ข้างใน อ, อาจจะโกรธก็ได้อาจจะดีใจก็ได้ จริงค่ะอืมแต่ถ้าของใต้อุเบกขาอุเบกขาจริงข้างในจะเย็นจะเฉยข้างนอกก็ข้างนอกก็เฉยข้างในก็เฉยเข้าใจแล้วค่ะพราจงอืมจริแล้วหนูก็ไปตอนแรกหนูก็สงสัยแล้วหนูก็ไปถามเออมาค่ะแล้วอตอบมาว่าอุเบกขาเนี่ยถ้าเป็นอุเบกขาจริงเนี่ยใจจะสว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนถ้า ความเฉยเมยเนี่ยใจมันจะทื่อๆซึ่งพอหนูอ่านแล้วหนูก็มันไม่เข้าใ จ, ใจแต่พออาพาจารย์อธิบายอย่างนี้หนูเข้าใจชัดเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์อโอเคนะนเฉยเมยนี่มันจะดูมนืนอุเบกขาภายนอกคนไม่รู้ไปคิดว่าคนนี้มีอุเบกขาแต่ถ้าดูจิตเขาได้อาจจะเห็นว่าใจใจเขาหวังร้อนขึ้นมาก็ได้ แต่ถ้าอุบัตกาจริงข้างในจะเย็นจะเฉยข้างนอกเฉยข้างในก็เฉยเหมือนกันฝักแต่ว่าลุ้ไม่ดีใจไม่เสียใจไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงก็องมีคำถามเท่านี้แล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคขอบพระคุณมีโปรแกรมจะกลับเมืองไทยไหรือยคงจะปีหน้าเลยค่ะเพราะว่า ปีนี้ต้นปีก็ใช้วันลักันละนะค่ะแล้วลูกสาวที่ไม่สบายเป็นไงอาการดีขึ้นเมั้ยคอาจารย์ตอนนี้คือเริ่มไปมหาลัยแล้วค่ะพระอาจารย์ก็เดินได้เลยคือเดินได้แต่ว่าแต่ว่าคือยังไงถ้ามีคนมาผลักอะไรเงี้ยก็คือจะล้มแล้วลุกไม่ขึ้นค่ะก็คือแค่ทรงตัวเดินได้ถ้าไปมหาลัยก็คือใช้วิวแชร์ที่เป็นแบบขับบังคับเองอะค่ะ ส่วนมือของเขาเนี่ยก็คือใช้ได้แค่มือด้านซ้ายมือข้างขวานี่ก็คือยังเป็นแบบอย่างงี้ค่ะแบบไม่ได้ก็ก็ไปอย่างนั้นนะคะก็คืออย่างน้อยก็ไปเรียนเาเป็น stroke ใช่ไหมก็กจากสมองติดตันเช่นเอเนื้อเป็นเลือดแตกค่ะพระอาจารย์นั้นเหมือนเขาพักผ่อนน้อยค่ะพระอาจารย์พักผ่อนน้อยดื่มน้ำน้อย ใจเขาก็ยังสู้อยู่ยังสู้ยังไปเรียนต่อค่ะก็หนูหนูก็แปลกใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือลูกของคนนี้ของหนูเขาเขาเป็นโรคซึมเศร้านะค่ะอาจารย์เป็นตั้งแต่สองเป็นเพราะว่าคือหนูย้ายประเทศป่อยใช่ไหมคะย้ายไต้หวันบ้างญี่ปุ่นย้ายเมืองอะไรอย่างงี้บ้างใช่ไหมคะตอนย้ายมาครั้งนั้นอะ่ะเขาเข้ามาเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนมอสองแล้วเด็กญี่ปุ่นอะ่ะถ้าถ้าโตแล้วอะ่ะ จะมีกลุ่มมีเพื่อนเน่ยยากมากเลยแล้วเราเข้ามากลางคันตอนหม2ออไม่ได้เข้ามาตอ น, น, อ น, นอม1เพราะแบบแไม่มีกลุ่มไม่มีกลุ่มอมเป็นประหาังแต่ น, นั้นนะคะแต่ว่าเราก็ดูแลกันมาเรื่อยอะค่ะพระอาจารย์อื ก, ก็ก็ยังหนูก็ยังงงว่าเอ้อพอข่าตัดสมองแล้วจากเดิมที่คือปกติถ้าคนปกติอ่ะถ้ามีร่างกายปกติและอยู่ดีดีพิการขึ้นมาอย่างเนี้ย ส่วนใหญ่เขาจะเป็นซึมเศร้าคือหมอเขาจะเฝ้าระวังว่าให้ระวังว่าเป็นซึมเศร้าด้วยแต่ลูกขนหมูคนเนี้ยค่ะปรากฏ ว, ว่าอาการซึมเศร้าหายหายหายไปเลยไม่ซึมเศร้า น, นี้ไม่ซึมเศรา้าฮะไม่ซึมเศร้าเลยแบบหัวล่ออะไรอย่างเงี้ยหนูก็ยังงงเขาก็าจะตรงงด้วยไรู้ <laughs> รหนก็งงเออหรือว่าพระหรือว่าคุณหมอเขาไปตัดเส้นอะไรใ <laughs> นสมองไม่นะมออันเป็นที่จ<ๆ>ิตใจเขามากกว่าค่ะ ี่ใจก็อาจจะกลว่ากูสวยสามสองนี่อะไมันจะสวยต่อไปว่าอะไรโป่งมงค่ะตอนนี้ก็คือเขาก็เริ่มไปมาหาลัยก็คือมันด r o p ไว้อะค่ะก็ไปเรียนรบมั<า>มคนได้สติกลับมาเนี่ยถ้ากลับไปได้นแสดแล้วเขา ไ, ได้สติกลับคืนมาค่ะก็ดูแลมันไปไมั น, ไป ม, นไปมันลําบากก็นั่งวิวแชร์ไปอะไรไปนี่นั่งวิวแชร์ตงสู้จริงจริอะ เองไปคนเดียวช่วงแรกสองอาทิตย์แรกช่วงต้นเดือนนี้ยค่ะก็แบบไปกับเขาก็ขึ้นวิวแชร์ไปตามไปตามไปดูข้างหลังเดินเพราะว่าบางทีเขาไม่เคยขับอย่างนี้ก็กลัวเขาไปเหยียบเท้าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืไปไป<ล>ด้วยแล้วน้องไปขึ้นรถไฟหรือเปล่าขึ้นรถอะไรหรือเล่านรถไฟค่ะนั่งวิวใช่วิวแชร์ขึ้นรถไฟได้จากโอกโกเบไปโอซาก้าค่ะพระจักรไปสองช่วง ทุกวันเลยเนอทุกวันค่ะอาจารย์วันศัพท์อะมีวันอังคารเท่านั้นนะคะที่เรียนแบบรีโมทที่แบบคือเรียนแบบออนไลน์ออนไลน์อะคะ่ะที่บ้าน อ, อืมออดีแสดงว่าจิตใจเขาอาจจะได้สติเขาได้กําลังกลับจะกําลังใจกลับคืนมาก็ได้นะค่ะก็ก็ดีเหมือนกันที่เขาไม่ยอมแพ้เลยถึงแม้ว่ามื อ, อมใช้ด้านขวาไม่ได้แล้วแต่แต่เราทำที่จะให้นักกายภาพมามา มาที่บ้านอยู่นะคะอืมเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนที่ร่างกายสมบูรณ์ก็ทอแท้น ะ, ะเป็นคนที่เป็นพิการแล้วก็ยังสู้อีกอืมอืมดีโอเคก็ดูแลหวังว่าถ้าคนจะเรียนสําเร็จแล้วก็มีความสุขในชีวิตต่อไปแต่ขอบคุณค่ะคยินดีอาจารย์อุทธนี้ไปให้ลูกดูค่ะอ่ะ yeah. เขาพูดไทยได้อเปล่าเขาเขาพูดไทยได้แต่เป็นภาษากะเหลี่ยงค่ะสำเนียงกัเหลีมากเลยค่ะสำเนียงแบบสำเนียงแบบไม่ใช่คนไทยพูดนะไม่เหมือนคนต่างชาติพูดนะค่ะเหมือนคนต่างชาติโอเคข่บคุณค่ะค้าตัวต่างคุณแอนต่อตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นหรือเปล่า ไม่กลับมาบ้านนะน้ำมาสการเจ้าค่ะตอนนี้อยู่ชิคาโก้เจ้าค่ะมาไกลเลยอากาศดีเจ้าค่ะตอนนี้ประมาณยี่สิบสององศาเจ้าค่ะกำลังสบายใส่แค่เสื้อเชิ้ตนี่ก็ได้เจ้าค่ะอืมค่ะไม่ได้มานานสองปีได้มาอยู่สองคืนเจ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้อีกวันนี้อยู่อีกวันนึงแล้วเดี๋ยวพรุนี้ก็กลับญี่ปุ่นเจ้าค่ะอืมค่ะไ็ดีเลยได้ไปที่ต่างๆ S <S ค่ะค่ะนนี้ไม่ได้มาไม่ได้เอไม่ได้มาชิคาโกสองปีเลยเจ้าค่ะหายไปนานเขาก็จะสับรูทกันไปอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เอาไปให้เบสเบสอื่นก่อนเบสฮ่องกงเบสอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เทิร์นกลับมาให้เราบางเยี้ยค่ะอืมค่ะแต่ว่าแต่ว่าวันนี้อยู่ก็ไม่ได้อยู่ในเมืองเจ้าค่ะอยู่อยู่นอกเมืองไม่ได้ไม่ได้ไปไหนอยู่ใค<ม><ม>รสนไม่มีอะไรอ่าก็ไม่ไม่ใกล้ค่ะแต่ว่าเป็นเป็นเป็น อมีแหล่งช้อปปิง้งมีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ต้องเดินเยอะหน่อยถ้าไม่มีรถก็ลําบากหน่อย mm hmm. เป็นเหมือนเป็นเหมือนแหล่งที่ไม่ใช่แหล่งที่พักอาศัยแต่ว่ามีมีห้างมีอัลเลทมีทุกอย่างเลยเจ้าค่ะอ mm hmm. รอบๆบริเวณค่ะแต่หนูก็ไม่ได้ไปไหนหนูก็แค่ออกไปเดินซื้อของนิดหน่อยแล้วก็กลับมาห้องเจ้าค่ะอืม mm hmm. ค่ะ วันนี้ก็เลยมันช้ากว่าที่ท <mo ans counting at dawn> ี so ่เมืองไทยสิบสองชั่วโมงนี้ตื่นเช้ามาก็เลยมามามารอนั่งเข้าฟังธรรมกับเพื่อนๆเจ้าค่ะเวลาตรงกันแต่ว่้เขาเขาเป็นคืนของเขาเขาแอนตอนเช้าใช่เจ้าค่ะเพิ่มสามหมูเช้าวันเจ้าค่ะห่างกันนิดนึงแต่ว่าแต่ว่าไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องเวลาเจ้าค่ะอืม ก็เมื่อกี้อะไรนาจะจะบอกจะมามาถามหลวงพ่ออะค่ะอ้ยสงสัยคำที่เขาพูดว่านั่งสมาธิแล้วใจแยกใจแยกกายที่มันหมายความว่ายังไงอะค่ะเวลาเขาพูดพูดว่านะครับเกิดอาเป็นจริงก็งคือใจถอนการรับรู้ทางตาหูจมูกนิ้วกายออกไม่ติดต่อกันชั่วค่าวแล้วก็ปิดโทรศัพท์มือถือไม ไม่ติดต่อกับร่างกายใจเข้าข้างในก็คือเหมือนหลุด ป, ป, ป, ปุ๊บออกไปเลยงเงี้ยเหรอเจ้าคะ่ะเออเหมือนกับถอนปั๊กออกมาอย่างเงี้ยจิตรวมเมื่อจิตรวมความรู้สึกนักคิดแล้วก็ความรับรู้เรื่องทางร่างกายรูปสิ่งกิตตแล้วก็จะหายไป บ, บ, าไบางทีมันก็ไม่ฮะบางทีมันก็ไม่หายมันมีสองแบบแบบหายไปเลือแต่จิตล้วนๆแบบที่มันยังรับรู้อยู่แต่มันมันเป็นอุเบกขามันเนิ่งเฉย มันไม่ราคาญมันไม่อะไรกับรูปเสียงกิริยที่เข้ามาใน้ธรรมนรับรู้หนูว่าหนูคงอาจจะยังเป็นแค่แบบที่สองอยู่คือยัยงยังรับรู้รับรู้อยู่ตแต่าจแต่ใจเราเฉยใจเราไม่ไปวุ่นวายกับสิ่งที่เรารับรู้ะแต่หนูมีปัญหาหนูไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องของของร่างกายหนูเองหรือมันเป็นสภาวะแต่คือคือเวลาหนูนั่งสมาธิตอนเนี้ค่ะหนูชอบ เกงมือเกงเท้าอะนะคะเหมือนกับลมหายใจก็ปกตินะคะแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรปไปลันไปบางทีรู้สึกชาก็ได้วันที่เราแล้วมันเหมือนอาการมันแบบว่ามันมันเกงมันมันมันเขาเรียกอะไรคะเหมือนเราเราไปเกงตัวเกงมือเกงแขนแล้วมันก็เกมืตัวแข็ เกง่ง ต, ตอนนั่งตอน น, ตอ น, นั่งไปสักพักนึงอะเจ้าค่ะมันอาจมันจะมีอาการเก่งแต่เราคือลมคือเราก็นั่งดูลมอยู่เรื่อยๆนะเจ้าค่ะยังดูลมปกติแต่พอเหมือนกับพอมันเริ่มจะแม่แม่แต่ว่าเวลาลมมันเริ่มเริ่มสงบเริ่มนิ่งเจ้าค่ะตัวมันก็จะเกง่งเกงแหนูก็ต้องลดตัวลงมาให้มันไม่เก่งไงค่ะคือหนูรู้แบบเอ๊ะมันมันเป็นสภาวะ หความัจริงไม่ควรไปกังวลกับร่างกายเวแล้วนาเ่าหนุนตอนนี่ยให้ลูกเฉยไปให้ลูกเชยๆไปคอยดูลงไปก็คืปล่อยให้มันเตรงไปแล้วให้มันถ้ามันจะกลับมาก็ปล่อยให้มันกลับมาไงอปล่อยมันไปตามเรื่องไม่ต้องสนใจบางทีเวลาเรานั่งนี่บางทีมือสองมือที่เรานั่งวางเท่าให้มันเหมือนกับมันแข็งมันเป็นชิ้นเดียวกันก็มี่อในความรู้สึกว่าคือมันเหมือนกับไม่เป็นปัญหาอะไรแล้วไม่ต้องไปก คือเหมือนกับหนูก็หนูก็จะกับหนูก็ยังคือมันเลยรู้สึกว่าทําไมเรายังเอาทําไมพวกครั้งที่ทั้งๆที่เราก็นั่งลมหายใจปกตินะจะคะไม่ได้มีการรู้สึกว่ามีปัญหาการลมหายใจหรือไม่ได้มีความฟุ้งซ่านอะไรนะคะแม้แม้แต่เวลาเราเริ่มจะแบบนิ่งๆอ่างนี้ยค่ะแต่การว่าตัวขามือเราเนี้ยมันมันจะเหมือนกับมันเหมือนมันเหมือนมันจะหลุดก็ไม่หลุดมันจะไปอย่างเนี้ค่ะมันก็กลับลงมาอย่างนี้ค่ะมันมันลำคาลนูเอ๊ะเราควรจะปล่อยให้มัน อย่าไม่สนใจ<ม>ถ้าเวลานั่งสมาธิแล้วอย่าไปสนใจเรื่องร่างกายเลยร<ฆ>่างกายจะเก่งจะไปเองไปทางซ้ายทางขวาข้างหน้าข้างหลั ง, หงอะไรนี้ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปปรับมันปล่อยมันไปเราต้องการาปล่อยร่างกายเวลานั่งสมาธิอย่างนี้แปลว่าเรายังยังจะไม่มีสติไหมคะหลวงพ่อหรือว่ามันมันเป็นแค่พอสตินึงให้ใจออกจากร่างกายไม่พอมัน เพราะร่างกายมีอะไรนามันยังยังกลับมาเกี่ยวข้องกับมวลทางร่งางกายอยู่ค่ะต้องอย่าไปสนใจถ้าเราดูลมก็ดูลมไปถ้าพุทโธพุทโธไปนํารั่วมัเป็นอย่างนี้แล้วก็แล้วก็เดิมมันไปเสียอย่าไปสนใจกลับมาอยู่ที่พุทโธกลับมาอยู่ที่ลมต่อไปอตอนนี้หนูก็พยายามคือหนูไม่รู้ว่ามันไม่พอมันเจอสภาวะนี้หนูเลยไม่รู้มันหนูนั่งถูกหรือนั่งผิดเพราะว่าพอพออย่างที่เดนหลวงพ่อค่ะพอหนูมีสภาวะว่า ดูรวมเสร็จแล้วมันเริ่มเกรงร่างกายมันเกรงอะค่ะหนูก็จะพยายามกลับมาอยู่ที่ตรงจมูกใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็ลองอย่างที่หลวงพ่อบอกและเจ้าค่ะก็คือลองปล่อยให้มันเกรงแหวงมนสุดๆแล้วมันก็จะกลับมันมาอยู่นั่งได้เหมือนเดิมแต่แล้วคั้งมันก็เกรงขึ้นไปอีกเหมือนล้อมก็กลับมาอีกจนแบบว่ามันมันมันอยู่อย่างเงี้ยไปไปกลับกับอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยช่วงนี้มันกลับมันมันมันไม่ใช่กลับมันมจะสติแล้วกําลังไม่ค่อยดีเวลา พอสติแล้วอ่อนมันก็กลับไปรับเรื่เรื่องร่างกายกลายเป็นว่ามากังวลว่ามันจะมันจะเกรงอีกไหมมันไ ม, ไม่ไม่ไม่จะอยู่กับลมตลอดเลยเดี๋ยวหนูจะพยายามให้มากกว่า น, นี้เจ้าค่ะแต่ว่าบ อ, อบอกว่ามันพปายานิจจังเราควบคุมมังคับไม่ได้อนิจจามนตตาจะเป็นอะไรก็ช่างหัวไม่ไปปล่อยมั<ต>นไปคค่่ะะอแต่ว่านี่เป็นจริงมันไม่เป็นอันตรายอะไรหรอกวามรู้สึกไม่ต้องไปกลัวมัน ไม่ได้ทำให้เราพิการเหรือเป็นเนื้อตายคือไม่ได้กลัวแต่รู้สึกว่ามันมันไม่อยากให้มันเปลงอะนะค่ะแบบนั่นแหละตัวนั่นแหละตัวปัญหาตัวไม่อยากเนี่ยตัวไม่อยากนี่แหะค่ะเลดอีกแล้วเจ้าค่ะต้องยอมรับไปนับตาเราเหมือนดินฟ้าอากาศเรากบคุมบังคับมันไม่ได้ค่ะแต่แบบมันก็เป็นไปค่ะแต่ก็เหมือนกับสภาวะต่างๆมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะหลวงพ่อเหมือนกับเอาตอนนี้เรามากังวลเรื่องเนี้ย ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีเรื่องว่าร่างเก่งตัวเก่งอะไรเงี้นะเจ้าค่ะเราก็นั่งสบายแต่พอพอเริ่มมามีสภาวะตรงนี้อีกมันก็เหมือนสภาวะบางอย่างที่เราไปกังวลนะคะมันของหนูอะค่ะมันเปลี่ยนไปทีกันเรื่องทีละเรื่องเหมือนก็ตรงนั้นจบมาตรงนี้หนูก็เลยยังเข้าสมาธิไม่ได้สักทีพยายอมแล้วมันเป็นสภาวะธรรมที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาเราจะเกิดไปรับรู้ว้เฉยๆกลับมาปูกใจไว้อยู่กับกรรมฐาน ถ้าใช้ลมก็ดูลมถ้าใช้พุโทโธก็ทำอะที่พุโทโธแล้วกไม่ต้องไปสนใจกับอาการกต่างๆที่เกิดขึ้นเจ้าค่ะตอนนี้หนูก็ยึดที่ยึดยึดวิธีที่ทําที่รู้สึกว่าถูกจริตก็คือที่บอกหลวก็่อค่ะว่าว่าไม่คิดหยุดคิดมันมันเริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มดีเริ่มดีขึ้นเจ้าค่ะแล้วก็ยังใช้ดูลมหายใจควบคู่กันไปแล้วก็ระหว่างวันก็ใช้พุทโธเจ้าค่ะเวลาเดินทําอะไรงี้ค่ะนึกนึกถึงพุทโธออกก็ พูดโทรขึ้นมาเจ้าค่ะอาจจะเพะื่อไม่สนใจใ น, นัาง<ท>ใจจะไปไหก็เรื่องของมันต้อค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเพิ่มเข้าไปเจ้าค่ะอละ้ปการปล่อยวางร่างกายตามงา<ใ> น, นั่งสมาธิเราต้องการปล่อยวางร่างกายต้อค่ ะ, คะแต่มีอีกมีข้อดีข้อนึงเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่รู้เป็นพ่อเริ่มเริ่มจับจุดสมาธิเป็นหรือเปล่าเจ้าค่ะปีเนี้ยคือหนูว่าเป็นโรคความดันสูงใช่ไ้มเจ้าค่ะตลอดหลายปีที่ผ่านมาคือหนูไม่เคยมีวันไหนได้ที่ความดันต่ำกว่าร้อยสี่สิบร้อยสมห้าเจ้าค่ะ ตัวล่างก็อยู่ที่แบบเกือบร้อยทุกร้อยอัพหรือว่าเก้าสิบไปปลายตลอดเลยเจ้าค่ะแต่มาต้นปีนี้ตั้งแต่ไปแล้วหนูก็กินยาใช่ไหมเจ้าค่ะกินยามันก็จะลงมาอยู่ประมาณร้อยสามห้าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เคยต่ํากว่านี้เลยจนจนล่าสุดต้นปีมาไม่ประมาณสามสี่เดือนที่ผ่านมาเนี้ยเจ้าค่ะหนูไปไปไปวัดความดันอะไรเงี้ยมันมันต่ําจนหนูตกใจว่า หนูตกใจว่ามันเครื่องมันเสียหรือเปล่าค่ะมันมันมันเรยกแค่ครั้งเดียวนะเจ้าค่ะหลวงพ่อมันเป็นตลอดเลยเดี๋ยวเนี้ยหนูร้อยความดันหนูลงมาอยู่ที่ร้อยี่สิบแล้วก็ตัวล่างอยู่ที่แปดสิบกว่า uh huh. ทาั้งๆ uh huh. ที่ยัง uh huh. ไม่ได้กินยาใช่เจ้าค่ะคือ uh huh. หนูไม่เคยเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อหนูไม่เคยเจอเลขนี้เลยหนูเลยค่ะ huh. <laughs> สมาธิมันช่วยสเตจมันช่วยท่านลดความความดันได้ค่ะตอนแรกหนูก็คิดว่าอาจจะฟลุกอาจจะเป็นช่วงนั้นอากาศมันร้อนหรือว่าหรือว่าบังเอิญหรือเปล่าแต่นี่หนูหนูไปหาหมอพาคุณพ่อไปหาหมอหนูก็วัดแล้วก็ที่บ้านก็มีเครื่องใช่ไหมเจ้าคะ่ะวัดทุกวันติดต่อกันมาได้เดือนหนึ่งเนี่ยเจ้าคะ่ ะ, ะ, ะความดันหนูคงที่นาแป ล, ลจากสมาธิผลจากการทำสมาธิจิตสงบลงจิตอ ความเครียดน้อยลงค่ะหรือว่าเป็นช่วยได้จริงๆเจ้าค่ะใช่ราะทางแพทย์เขาก็แนะนำให้คนที่มีความดันพยายามฝึกสมาธิหนค่ะมีบางบางทีลงมาจนถึงหนึ่งร้ยสิบเลยหนูแบบตกใจว่าหนูหนูล่าสุดหนูไปบริจาคเลือดใช่ไหมเจ้าค่ะปกตินี่หนูหนูนี่ต้องบริต้องต้องวัดความดันเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าครั้งเจ้าค่ะหลวงพ่อความันจะลงอะ เพราะว่าถ้าไม่ลงก็ไม่ผ่านใช่ไหมจ้ะคะเขาไม่ให้บริจาคจนแบบว่าท้อเลยว่าโอ้ยเมื่อไหร่ว่าเราใส่คงไม่ได้ไม่ได้บริจาคอะไรเงี้ยแต่ล่าสุดที่วัดไปครั้งแรกก็คือปกติเลยเจ้ะคะจนแบบบอกบอกคุณบอกเจ้าหน้าที่บอกหนูขอวัดอีกรอบได้ไหมจ้ะคะหนูหนูว่ามันมันต่ํามากเลยอะไรเงี้ยสรุปมันก็เท่าเดิมเจ้าคะหนูดีใจมากเลย<ม>อืมอ่ารือคิดว่า สมาธิ ท, ที่ที่เริ่มเริ่มปฏิบัติถูกทางมันช่วยได้จริงๆรเจร้าค่ะช่วยคลาความเครียดช่วยลดความดันได้ค่ะอย่างน้อยก็สมาธิยังยังไม่เก่งแต่ว่าก็ได้สุขภาพมาก็ดีใจเจ้าค่ะตอนนี้ค่ะแล้วมีสติมากขึ้นจิตเราก็ไม่ค่อยปรุงแต่งไม่ค่อยเครียดค่ะเริ่มหยุดคิดมันดีนะค่ะหนูรู้สึกว่าหนูหนก็เออมันดีจังเลยการที่ไม่ต้องคิดเนี่ยไม่รู้เฉยๆไม่รู้เฉยๆเดี๋ยวนี้มองอะไรก็ สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไปอไม่เอาข้ามัดคิดปรุงแต่งเห็นว่าเป็นอนิจจังไม่อนัตตาไม่ไม่ใช่เนื้อของเขาค่ะค่ะเดี๋ยวแต่จะต้องพยายามไม่เพิ่มเพิ่มมากขึ้นเจ้าค่ะออย่าประมาทก็แล้วกันพยายามทำให้เงี้ยเจ้าค่ะจะไม่หมดความเพียรเจ้าค่ะหลวงพ่อหนูจะพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆเจ้าค่ะดีดีมากค่ะดูแต่ใช่คุเจ้าค่ะไอ้ที่คุณมาริกาต่อมาริการดาราที่ว่า ไงบริกาสบายดีแล้วขอบคุณมาตการเจ้าค่ะอาจารย์สบายดีเจ้าค่ะอาจารย์ยอืมก็ก็วันนี้แบบน้องสาวก็ามาจากพะเยาน้องบ้านเขาอยู่ก็ตั้งร่างว้าอยู่ที่เชียงรายทำงานอยู่ที่ทพะเยาก็ก็กลับมานะก็กลับมาเพื่อดูแลพ่อแม่แล้วก็จะกลับพรุ่งนี้แล้วก็บอกว่าคืนนี้ให้มานอนกับพ่อบ้างให้มาเรียนรู้ว่าในตลอดวันพี่ทําอะไรบ้าง เสร็จแล้วเขาไม่ได้มาหลวงพ่ออาจารย์รู้สึกอึ้งขึ้นมาทันทีเลยแบบอืมกลับมาทั้งทีทั้งนี้ไม่มาหาเพราว่าหน้าจิตต่งางคนเราไม่ใช่หลวงพ่ออาจารย์แบบแม่แ ม, แม่แม่ทำขนมบ้างทำนวดบ้างก็ mm. แม่แข็งแรงอยู่นะแม่แปดสิบกว่าแล้วก็ยังแข็งแรงปลูกผักปลูกเ <laughs> ลยก็บ้านอาจารย์มาเตือนสติที่บอกว่าพยายาม แต่มองตัวเองมากกว่าอย่าไปมองคนอื่นแล้วก็สิ่งไหนบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับคนอื่นนะั้น <c oughs> ให้ว่าวางไว <c oughs> ้บ้างล้กยิ้มเลยก็โอ้โหนี่เหรอที่แบบว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ใกล้ธรรมะพยายามศึกษาธรรมะจิตใจเราก็จะปลอดโปร่งบางครั้งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจะทำให้เราจุดกระชากลงไปที่ต่าก็เราจะไม่ลงไปเจ้าค่ะอาจารย์ ก็แล <c oughs> ้วไ ด, ได้ได้แต่ว่าอืมเกือบไปแล้วละ่ะมริกาเกือบไปแล้วล่ะแต่ว่าก็น้อยนอยรู้สึกน้อยนอยอยูอย่ในใจเห็นว่ามาสักทีเก้าปีแล้วไม่เคยกลับบ้านกลับมาแล้ว <c oughs> นั่นแหละต่้งใจแต่ทำงานจิตตังก็มองไปนะคนเราจิตใจอะไรเหมือนกันถึาแม้จะในุูปเหมือนกันแต่จิต ใ, ใ, ใจแต่คนจกิดทํานื้อไเหมือนกัน พระเจ้าบอก ค, คนที่มีความกตันอยู่นี่หาย า, อากอืเขาก็เขาก็กระตันอยู่แต่ว่าเขาเสี่ยงแบบแม่แม่ดึงเอาไว้ก็พ า, าให้โกรธ แ, แ, แม่อีกว่าบาปไม่รู้กหิ้วซ้ำแก่สอนก็ทาให้โกรธแม่รู้ไปโกรธแม่อยู่ว่าเออทาไมเนาะแม่ถึงไม่คิดถึงพ่อบ้างแบบอย่างน้อยก็ให้ทิ้งถึงพ่อบ้างว่าพ่อมี ม, ม, ม, ม, ม, มีมีกรรมอนะไรเงี้ยถึงไม่คิดถึงใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์ แล้วก็อย่างหนึงก็คือบอกว่าชีวิตของแต่ละคนนี่มันอยู่แค่เส้นได้อายุก็เราก็ทําไม่รู้ว่าใครจะไป็ก่อนหรือใครจะเป็นหลังก็เหมือนกับพระอาจารย์บอกว่าทุก ส, สิ่งทุกอย่างนั้นถ้าเราไม่ลงมือที่จะปฏิบัติก็มันก็ไม่ก็มันไม่พยายามสักทีก็พยายามบอกเลยว่าเราจะพยายามให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตอนนี้คุณอาอุตสาก็ขึ้นเขา เนวขึ้นข่าไปแล้วพระเช้าเราใส่บาททิชนลาค่ะเจ้าข่าะอาจารย์ก็สิ่งเหล่านี้นั่นคือทําให้เตือนสติอยู่เส ม, มอว่าเราไม่ได้ไปแต่ก็พยายามที่จะทําให้ได้ถึงเม้่อจะร่วมรุกผู้การก็ทำที่บ้านเรานี่ยนะพอเราปล่อยวางได้ก็ใช้ก็ใช้ได้นั่นแหละเจ้าข่าวพระอาจารย์ก็เลยอ่า <c oughs> ก็ม네 hm ีเวลาอย่าไปทุกข์กับอะไรอย่าไปทุกข์กับใครอไปทุกกับอะไรใชค่ะพี่จ่าแต่ก็พยายามก็อาจจะแบบว่าเรามีความอยากก็คืออยากจะให้น้องมาเรียนรู้ว่าพ่อเป็นยังไงบ้างก็เลยบอกว่าเอาเวลาว่างช่วงนี้นะมานูสิพ่อตื่นแล้วก็มาให้มาอาบน้ําให้พ่อหดูซิว่าพ่อทําอะไรบ้างพ่อปฏิบัติตัวอย่างไรเป็นอย่างไรอาบน้ําเสร็จแล้วพ่อก็สวดมนต์ พ่อว่าน้าหมูตั้งน้าหมูสามจบเสร็จแล้วพ่อก็ชิดตัวชิดอะไรก็ใส่เสื้อเองใส่กางเกงเองโอเคก็พ่อก็ยิ้มราห์นะเขลึกสาวมาแต่ว่าไม่ค่อยจะรู้จักพ่อจะจําไม่ค่อยได้แล้วพ่อตาไม่ค่อยเห็นแต่ไอตัวนี้นั่นคือเราความอยากเรามีความทุกข์แต่เมื่อมีครูบาอาจารย์นะครับอาจะมาช่วยชี้แนะมาช่วยแนะนํา แต่ก็สว่างขึ้นก็เลยเรียกว่าบางสิ่งบางอย่างเราอย่าชักช้าเราอย่าไปหลงเราอย่าไปชมดอกไม้ริมทางอยู่แล้วก็พยายามที่จะทําตัวเองให้มากที่สุดเขาก็คือเขาเราก็คือเรามาเรียนรู้พ่อให้ได้ว่าพ่อปฏิบัติอย่างไรทำตัวอย่างไรทำไมพ่อจึงอายุยืนได้ถึงขนาดนี้เพราะพ่อทำอะไรมาก่อนพ่อึก ตัวเองอย่างไรทาตัวเองอย่างไรที่ได้มีอายุที่แข่งที่มีสุขภาพที่แข็งแรงมีจิตใจที่แบบจิตใจที่ดีสุขภาพดีนะครับอาจารย์ไปก็ึ่งคคำ ถ, ถามนั้นลูกจะถา ม, มาว่าเขาจะมามก็มาไม่มากแล้วของเขาเหนื่อยกว่าเราลูกอนนั่นหะลูกเอด็ดีความจริงดีความจริงดีกว่าความจริงดีไง ความยากแลมันทําให้เราทุกข์ได้ค่ะพระอาจารย์ก็ก็ก็มั น, น, นทุกข์แต่ถามว่าเหมือนกับเคยพูดกับพระอาจารย์บ้าทุกข์เดี่ยวนี้มันถ้าทุกข์ในเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาแป๊บเดียวมันก็แป๊บไปแล้วนี่ก็เหมือนกับวันนี้ทุกข์เกิดขึ้นอาจจะหนักที่จะต้องไปผูกเวรผูกกรรมกับเขาผูกเวรผูกกรรมกับแม่ที่ว่าเออทําไมต้องไม่ปล่อยนะแต่พอมาเจอพระอาจารย์เราก็ทิ้ง ตัวใครตัวมัเราก็พยายามเดินของเราวันเวลา mm hmm. ที่เหลืออยู่พก็พยายามที่จะภาวนาให้ได้ใ จ, ไไใจอย่าไปวกแวกใจอย่าไปทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มาตั้งใจฟังคำสอนของป้าอาจารย์ที่มีจิตใจที่บุญบานและดึงบารมีใช้คําว่าดึงบารมีของพระอาจารย์นี่นะเข้ามาอยู่ในใจตัวเองแล้วโดยเฉพาะคำสอน พยายามทําทให้ได้อย่างน้อยก็ทําให้ชีวิตของเราหมดข้อหีขึ้นแล้ว่ะอาจารย์นั่นแหละพ อ, <ม> พ, อพอมาเจอคําสอนของผู้อาจารย์ในแต่ของน้องๆหรื อ, อเพื่อนๆก็รู้ว่าโอ้นาะเราโชคดีมากโชคดีมากที่สุดโชคดีมากๆที่ว่าได้มีผู้อาจารย์คอยที่แนะคอยดึงคอยสอนไม่ให้ ไปตกอยู่ที่ต่ำหรือว่าให้ไม่ให้ตามกระแสให้พยายามทวนกระแสเข้าไว้เท่ากับอาจารย์โอเคอยากปล่อยวางให้ได้นะเจ้าขาพ่ออาจารย์ได้ครับอาจารย์ต้องได้อยู่แล้วก็ก็แต่เพื่อนเขาบอกบอกตัวเองว่าอย่าเครียดช่างเขาก็พรุ่งนี้ก็กลับพอเที่ยงกว่ากว่าเขาก็กลับแล้วแต่เขาก็กลับแล้ว่สจนแล้วแต่เขา แต่ว่าคิดอยู่นะพาจริญเราจะไม่เป um ิดบ้านดูสิดูสิแบบบางทีก็บอกว่าเออจะไม่เปิดบ้านดูืขาดูสิเราจะปิดปิดรั้วปิดประตูรั้วไว้ถึงมาก็ไม่เปิดให้หรอกแต่ละแต่ว่าก็คงไม่ทำหรอกนะครับพเจริญคงไม่ทําสุดขนาดนั้นถ้าเข้ามาก็มาถ้าก็ไม่มาเมตตาเมตตาอยู่ในต้นน้ำใช่ครับพเจริญการตั้ต้องระดับเอ่าไปนี่กุนารีตา ไปกล่าวนลวงพ่อค่ะอ่าเป็นยังไง <c oughs> ไม่มีปัญหาใครมีปัญหาเเหรอกใคราไม่ไม่มีค่ะหลอมีปัญหากับตัวเองค <c oughs> ่ะอ่าทำไมหลวงพ่อหนูหนูได้เห็นได้เห็นสภาวะา่าหลวงพ่อหนเห็นเห็นเห็นจิตเห็นใจที่มัน มันเหมือนแบบมันโล่งมันว่างไปหมดเลยค่ะหนวพ่อว่างว่างแบบว่าบางครั้งหนูมันรู้สึกว่าหนูหาจิตหาใจไม่เจอด้วยค่ะหลวพ่อแต่หนูก็รู้ว่าใจอ่ะมันยังมันตัวรู้ว่าคือใจไม่หาอะไรมันเองอะในความรู้สึกค่ะหนูพ่อเหมือนแบบโอ้โหทําไมมันว่างขนาดนี้มันเหมือนเหมือนจิตเหมือนใจมันหายไปไหนอะไรแบบเนี้ค่ะหลวพ่อตอนตอนที่เห็นเขาอะค่ะแล้วก็ หนูก็แค่รู้ว่าอมันว่างแต่ว่ามันมันมีความที่มันมันเหมือนอะไรีหลุดออกจากจากจิตจากใจไปอะค่ะหลวงพ่อแล้วมันมันเหมือนในใจมันไม่มีอะไรที่มาค้างมาคาอยู่ในใจมันไม่ทุกข์มันไม่ตกมันมันมีแต่ความโป๋่งเบาๆอะค่ะหลวงพ่อมันมันโล่งมันเบาอะค่ะแล้วแล้วหนูก็ดูดูเขาไปแบบนี้ค่ะหลวงพ่อแล้วก็ อีกข้างหนึ่งถ้าหากว่ามันมีความคิดความปุงแต่งแบบมีความไม่พอใจความพอใจอะไรแบบนี้ค่ะว่ามันก็เห็นมันแล้วมันแต่ว่าใจอ่ะมันก็มีวิ่งเข้าไปในอาการในความคิดที่มันปุงเข้ามาแบบเนี้ยค่ะถ้าว่อหนูหนูก็จะเห็นเป็นแบบนี้ค่ะถ้าว่อแล้ว ก, แวก็แล้วเวลาคือ ต, ตอนเนี้ยหนูมีความรู้สึกว่าจิตใจหนูมันมันพลิกเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะมัน มันเหมือนมันสบายสบายในใจอ่ะค่ะหลวงพ่อมันไม่ทุกข์อะไรอ่ะแล้วแล้วพอมองเห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของทั้งมีชีวิตไม่มีชีวิตแบบเนี้ย่ังพ่อมันจะเห็นเป็นไตรักษณ์เปเลยโดยที่แบบมันเหมือนมันรู้เองอะค่ะหลวงพ่อมันเป็นของที่แบบว่ามันมองเห็นทุกอย่างอ่ะมันมันเกิดแล้วมันก็ดับแล้วมันมันเห็นว่าเป็นของที่มีมีมาแล้วก็ไป เป็นของที่มีแล้วก็หมดแบบนี้ค่ะหลวงพ่อแล้วก็แต่เห็นอีกอย่างหนึ่งคือว่าไอจิตใจที่มันโปง่งมันโลง่งมันเบามันว่างตรงนี้ค่ะหลวงพ่อมันก็ยังเห็นอยู่หลักตามันก็เห็นลืมตามันก็เห็นแล้วก็ไม่ว่าหนูจะไปทํางานทําอะไรอียาบทนั่งเดินอะไรเงี้ยมองลงไปเมื่อไหร่ก็เห็นเขาว่างอยู่แบบนี้ยค่ะหลวงพ่อไอ้ที่มันว่างก็อส่องเข้าไปดูว่าเอ๊ะหนูก็ไม่ได้ไปทําให้มันว่างนะคะหลวงพ่อแบบ มันมีความรู้สึกว่าจิตจิตใจหนูมันเบามันโล่งไปหมดเลยคพีหลอดหนูเห็นอาการมันเป็นแบบเนี้ยแต่แต่มันก็ยังมีความคิดตรงที่ว่าพอหนูเห็นอาการอาการที่มันโล่งมันเบาอะหนูก็นึกถึงคําสอนครูบาอาจารย์ที่ว่าเอ๊ะมันไปติดความเขาเรียกอะไรนะคะความสงบหรือเปล่าความว่างหรือเปล่าหนูก็ส่องเข้าไปอ่ะในใจมันก็ไม่มีให้ให้ ให้ไปยึดไปเกาะไปติดนะคะหลวงพ่อก็เห็นเห็นเขาเป็นแบบนั้นแล้วก็ยังทํางานยังรู้รู้ทันความที่มันคิดมันมันปรุงอะไรแบบเนี้ยเป็นปกติอะค่ะหลวงพ่อหลวงพ่เห็นเขาอยู่แต่ว่าแต่ว่ามันไม่จมมันไมน่มันไม่ทิ้งอารมณ์เข้าไปอยู่ในความรู้สึก น, นั้นนะคะหลวงพ่อมันแค่เหมือนเหมือนที่หลวงพ่อบอกว่ารู้เฉยเฉยอะไรแบบนี้นะค่ะหลวงพ่อหลวงพเห็นว่ามันเป็นแบบนี้แต่ว่า ณนะตอนเนี้ยหนูเป็นประมาณผ่านมาประมาณตั้งแต่วันที่หนูเห็นอาการแบบเนี้ยตั้งแต่วันที่สิบหกเมษายนหนูมีความรู้สึกว่ามันมันโล่งมันเบาไปหมดเลยค่ะหลวงพอ่อมันมันเหมือนมันไม่ทุกข์มันไม่มีความทุกข์อะไรมาขังอยู่ในใจเลยแบบนี้ค่ะก็ดูไปเรื่อยๆดูคากมันเปปัจจุบันไปคปัจจุบันไปถ้ามันไม่ทุกข์ก็ใช้ได้ค่ะหลวงพอ่อถ้ามันทุกข์ก็แสดงว่ามีปัญหา่ะ ค่ะหลวงพอค่ะหนูหนูก็จะเพียรดูไปเรื่อยๆค่ะหลวงพอ่อ <Swedish. S 2> <ith>, ใช้ชีวิตเป็นปกติไปทุกอย่างเป็นปกติไปไม่ทุกข์กับอะไรไม่ทุกข์กับข้างนอกไปทุกข์กับข้างในค่ะหลวงพ่อถึงถึงนะตอนเนี้ยหนูมองลงไปอ่ะมันก็ไม่มีอะไรในใจค่ะหลวงพอ่อมันว่างว่างค่ะหลวงพอนี่ค่ะโอเค ค่ะหลวงพ่อก็ประมาณนี้ค่ะแล้วมีความสุขไหมล่ะก็มีความสุขมันมันโล่งมันมันเบาไปหมดเลยค่ะหลวงพ่อมันไม่หนัอกหนักใจก็ใช้ได้ค่ะหลวงพ่อมันโล่งมันเบามันมันเหมือนมันหลุดไปตั้งแต่คืนวันที่สิบหกเลยค่ะหลวงพ่อมันหลุดออกไปเลยค่ะหลวงพ่อขอบพระคุณหลวงพ่อวางรนะคะสาธุค่ะอ่าไปเจอกับหมอร่วมเลยตาคุณหมอ อันนี้อยู่ที่ไหนอยู่ทางประเทศนี่นอยู่อยู่บ้านเราประเทศไทยครับหลวงพ่ออ่อยู่ประเทศไทยครับอยู่ประเทศไทยอยู่บ้าเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่คอนโดครับหลวงพ่อครับอ๋ออยู่ที่อคอนโด<ง>ครับอ่มีอะไรบ้างไ ห, ไหมสัปดาห์นี้มันมีความรู้สึกแบบรู้สึกเบื่อเบื่อครับหลวงพ่ อ, อผมก็บอกเออทําไมสัปดาห์นี้เรารู้สึกเบื่อเบือทุกที จะไปทํางานก็มีความเอความอยากไปความอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลวงพ่อ <S <S หรือว่าไปงานแล้วก็มีความอยากไปผมก็รู้สึกแบบพี่มันเบื่อเบื่อแต่พอเวลาแก้ก็แก้ด้วยพุทโธก็นั่งสมาธินะครับหลวงพ่ อ, อแก้ด้วยพุทโธกับพุทโธก็นั่งสมาธิก็จะดีขึ้นครับหลวงพ่ อ, อผมเลยไม่รู้ว่าอารมณ์ที่เบื่อที่หรือว่าเราเราเป็นมุขบรมรูปตัดสินแล้วกอนนะครับหลวงพ่อครับครับครับหลวงพ่อให้นมันรู้สึกเบื่อเบ ครับหลวงพ่อก็คงเป็นอย่างนั้นจริงๆครับหลวงพ่อพอมันมีความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาวันสองวันเลยใช่พุทโธเลยครับับแล้วเราเราเผลอแล้วเราปล่อยเราไม่ขยันควบคุมใจไหมครับหลวงพ่อก็เป็นเป็นสัปดาห์ที่มีวันสองวันที่ไม่ค่อยดีนะครับหลวงพ่อแล้วพอเริ่มกลับมาพุทโธกับสวดมนต์กับปฏิบัติธรรมเหมือนเดิมก็เริ่มดีขึ้นครับหลวงพ่อช ดีขึ้นครับหลวงพ่อนี่ก็เป็นเราทิ้งพุธเราทิ้งสติไปนานะครับเพราะว่าอาจจะเปิดประตูให้ข้าศึกเข้ามาคับหลวงพ่อครับสร้างอารมณ์ต่างๆนะคับหลวงพ่อเป็นเป็นเช้นนั้นจริงๆครับแล้วพออ่ตั้งสติได้กับมาพุธโธกับเริ่มนั่งสมาธิแล้วก็ปฏิบัติตลอดอย่างต่อเนื่องก็เริ่มดีขึ้นครับหลวงพ่อผมก็เลยว่าขับกลับมาค่อยๆดีขึ้นครับหลวงพ่อครับ เรื่อยดีขึ้นเพราว่าเรว่าจิตเสริมครับหลวงพ่อมันมีช่วงลงใหม่ยิ่งได้ด้วยนะครับหลวงพ่อถ้าเราเพสติเมื่อไหร่มันก็จะลงครับหลวงพ่อเขาคงต้องไม่ไม่ไม่ให้เป็นอย่างนี้แล้วครับพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ไม่กลัมาครับหลวงพ่อเพลยสติตลอดเวลาครับครับผมอาจจะมีช่วงหนึ่งพอกลับไปทํางานใหม่ๆพอกลับไปทํางานแล้วก็จะไปไปขาดสติไปทําอยู่กับงานนะครับหลวงพ่อ อพอทำอยู่งานมากไปมันเลยรู้สึกเอ้ยมันมันเบื่อครับหลวงพ่ อ, อ ม, มันเบื่อเบื่อเบื่อพอตอนนี้พอกลับมาช่วงเย็นช่วงไรเล็กสักวันหนึ่งพอพอเลิกได้แล้วกลับมาพุทโธพุทโธมากๆก็กลับมาดีขึ้นครับหลวงพ่ออืมครับถูกต้างนะอาจารย์เมื่อคืนสติแล้วอ่อนอนมสติ อ, อ, อ, อกก่อนกิเลสมันก็เลยมีกลาลังสร้างความทุกข์ให้เราครับรครับ แต่มันไม่เหมือนกับที่เวลาแต่ก่อนเราไปงานเลี้ยงนะครับหลวงพอ่อเพอเดี๋ยวนี้เราไม่เราไม่อยากไปพอเราร่วม ง, งานได้แป๊บนึงเราก็รีบกลับละเพราะว่ามันมันไม่ได้อยากจะสนุกอันนั้นก็จะไม่เบื่อแต่เราจะรู้ตัวมันจะตรงข้ามกับแบบเนี้ยครับอันนั้นคือ ม, มีมีสติแต่ไม่อยากไปแสดงการเลื่นเริงหรืออะไรพวก น, นี้นะครับครั บ, รบแต่อันนี้เราเราไม่รู้มาจากที่ไหนมันโผล่ขึ้นมาเองมันโผล่ขึ้นาเองครับหลวงพอ่อซึ่งก็เลยแบบ ครับก็ได้เรียนรู้ครับหลวงพ่อครับต้องไม่ให้เกิดอีกแล้วครับอถ้าเกิดก็รีบหนึ่งสเต็ปมาเลยครับหลวงพ่อแล้วคงต้องได้ครับหลวงพ่อครับครับแล้วเดี๋ยวผมจะตั้งใจทํามากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลวงพ่อสมาธิบ่อยๆฝึกสมาธิบ่อยๆตั้งกิจการตายรับบ่อยๆด้ครับหลวงพ่อครับถ้ามันเบื่อว่านี่ก็เป็นอารมณ์อย่างเบื่อเบื่ออย่างเดี๋ยวมันก็หายก็ได้ ครับหลวงพ่อบางทีเราทุกข์กับมันแล้วเราอยากให้มันหายมันมันก็เลยทําให้เราทุกข์กับมันครับถ้าเราถือว่ามันเป็นธรรมดามีมามีไปมีเกิดไม่ดับเดี๋ยวมันก็หายไปมันก็จะทำให้ใจเราไม่ทุกข์กับมันก็ได้ครับหลวงพ่อแต่จริงจริงพอพอตั้งสติได้แล้วก็พุทโธต่อเนื่องกันนานๆนะครับหลวงพ่อรวมถึงหลักคาด้วยครับมันดีขึ้นครับหลวงพ่อดีขึ้นครับนําเ่งงบครับ ครัหลวงพ่อปฏิบไปมันก็จะได้เห็นว่ามีมีมีมีพัฒนาการแล้วมีการเสื่อมได้มีการเสื่อมครับหลวงพ่ออืมรับผมก็คงต้องไม่ให้ครับไม่ให้เสียบมแล้วครับหลวงพ่อครับเนื่องปฏิบัติส่วนใหญ่มักจะชะล่าใจเวลาจิตมันสงบมันดีแล้วชะล่าใจมันจะพังเลยครับหลื่องสติไปครับเรื่องเรื่องจริงเลยครับหลวงพ่อครับเข้าใจว่าน่าจะประมาทไปนะครับ อืมครับอยู่ๆเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ได้ครับอืมพก็ยังดียังรู้ทันนะครับยังแก้ปัญหาได้อยูงครับหลวงพ่อครับดีมีอะไรครับไม่ม่ถามาผมให้สัญญากับหลวงพ่อให้สจสจอาธิษฐานครับจะตั้งใจเต็มที่ครับหลวงพ่อไม่ให้เป็นอีกแล้วครับครับัขอพระอาจารย์ท่าแข็งแรงนะครับขอหลวงพ่อท่าแข็งแรงครับสติเป็นใทุกกรณีนะพระเจ้บอกสติจำเป็นในทุกกรณี เพื่อกระตุ้นจนหลับเดี๋ยทิ้งสติมันนัานครับโอเคครับผมขอพระอาจารย์ท่าแข็งแรงหรือว่าถ้าแข็งแรงนะครับครับงานที่คุณนัชชาดอกนัชชาใช่ไปได้เลยกับมสการพระอาจารย์ท่เคยเข้ามาแล้วใช่ไหมไม่เคยเลยครับพระอาาชั้นแรกค่ะ อยู่ที่ะตอนนี้อยู่ที่นอร์เวย์าาวยค่ะอาจารย์อ๋อนอร์เวย์ค่ะอยู่ที่นั่นมานา น, น, นแล้วเหรอเขาปีที่เก้าค่ะาอาจารย์อดีติดตามพระอาจารย์จากอาอาจารย์ อ, อ, อ, ด อ, อาดรตเวียค่ะเราก็ตั้งมาเรื่อยๆค่ะอือแต่ว่าวันนี้มีมเรื่องทุกข์ใจชาสบ้านเพราะว่าแ ม, ม่ป่วยเป็นมะเร็กเลยยะสุดท้ายค่ะล้ว จะเขมาเพื่อขอว่าอาจารย์ได้สั่งอนตืนอนสติหนูว่าหนูก็จะทํายังไงอะครับอาจารย์สลกให้กว้างกว้าสองโลกให้กว้างกว้าไม่ใช่แม่เราคนเดียวที่ที่จะต้องตายเราก็ต้องตายคนที่เราพูดอยู่นี้ก็ต้องตายไม่มีใครไม่ตายบองให้เรากวงกว้างอาจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดามแต่พระพุทธเจ้ า, จาว่าอย่างนั่งตายนะแต่ผู้ที่ไม่ตายก็มีอยู่ตายเป็น ที่ตายเป็งครึ่งเดียวของชีวิตเราอีกครึ่งหนึ่งนี่คือใจเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายดังั้นเราไม่ต้องไปเสียดายร่างกายมันเป็นธรรมดาเหมือนเสื้อผ้าชุดหนึ่งนั่นเอ ง, <Okay. S 1> อ ง, งเข้าใจไหมรักษาใจไว้ทําบุญทําทานรักษาศีลภาวนารักษใจเราจะสงบใจเราจะไม่ทุกข์กับการสูญเสียของสิ่งต่างๆเพราะว่าตอนนี้ มีอยู่สองทางเรื่ อ, ก อ, องกับอาจารย์เพราะว่าแพ่ยที่ทำการรักษามาบกว่าอยากจะระักษาแบบประคับประคองหรือว่าต้องการจะแบบเจาะท่อหรือยืดชีวิตเขาไว้อย่ า, า, ยาไปยืดดีกว่ า, า, วามันทรมานเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรมันยืดชีวิตยืดยืดความทรมานให้ให้ยาวมากขึ้นไปเราไม่ฟังใช่ไหมว่าไม่จะไม่ นอกจากว่าแม่ก็ต้องการให้ใช้เจาะท่าทําตามใจแม่เข้าไปถามแม่ก็ดูก็ได้เซอนนี่ดูไปจะบอกแม่ครับอาจารย์ปิดเข้าไปพวกเขาจะอาการุดหนักนะคะก็ไม่ต้องบอกว่าเป็นอะไรเป็นแต่ถามว่าหมอเขาจะให้เจาะท่อเจาะคอจะเอาไหมถ้าเขาจะว่าต้องทําตามที่เขาต้องการเราไม่ควรจะไปตัดสินใจแทนเขาชีวิตของเขาเรามีหน้าที่คอยช่วยเหลือเขาตามใจเขา แต่ท่านอกแต่ท่านเขาบอกว่าไม่เอาไม่เอาก็ดีก็ไม่ต้องไปบังคับไปเพราะแม่พูดเปื่อยๆกับคนเฝ้าใครอ่ะคำว่าหนูก็ไม่ได้เฝ้าโซ่หนูเฝ้าเขาแค่สัปดาห์เดียวแล้วหนูก็กลับมาทํางานที่นี่แล้วแม่เขก็เปื่อยๆกับคนเฝ้าใครบอกฉันไม่เอาฉันไม่อยากจบคอร์อดีใช่ยัั้นก็ไม่ต้องทำ่าค่ะรักษาประคับประคองไปกินยาไปอะไรได้ฉีดยาไปแค่นี่ก็พอกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ลองกิน ไม่เป็นไรไม่ได้เป็นการค่ า, าคเป็นการเป็การยุติการรักษาแบบแบบไม่จำเป็นอ่ะที่ช่วยอะไรไม่ได้รักษาไปแบบนี้มันก็มันก็ไม่ได้ทำให้โรคหายไม่เป็นไรไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้เป็นการทำบาปแต่อย่างไรปล่อยให้ร่างการมันอยู่ไปตามธรรมชาติของมันมันอยู่ได้เดี๋ยวมันก็ฟื้นขึ้นมาเองถ้ามันจะอยู่ต่อไปถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็มันก็ไปนั่นเอง มัก็ต้องไปกันทุกคนอ่ะชา้าเร็วใช่ไหมอย่างปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติไม่เป็นไไม่บาปส่วนเราก็ทําจทใจนะเราก็าต้องทําใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเกิดมาแล้วร่างกายของทุกคนก็เป็นของไม่เที่ยงในที่สุก็ต้องแก่เจ็บตายไปด้วยกันทุกคนแต่ ใ, ใจเจ้าของร่างกายไม่ได้เป็นได้นะพยายามรักษาใจด้วยการทําบุญทาทานรักษาศีลภาว น, นาไป ขอของคุณปราสาทค่ะโอเคนะทำใจไดนะ okay. ้นะอยากกราบระสากราบคุณระอไม่มีอะไรนะไม่มีครับ <Okay, S 2> ขอบคุณพอาจารย์ค่ะสาธุคไปที่ท่านต่อไปคุณปรางว่าอะไรนะถามว่าอะไรกลันะมาสการ์เจ้าค่ะมันก็สืกเรื่องมาจากเมื่อเรื่องเมื่อสักครู่นี้ค่ะ ช่วงวันเสาร์อาทิตย์จันนิการพุทธเนี่ยค่ะหนูก็วิ่งเข้าออกโรงพยาบาลแต่ว่าเป็นเคสพนักงานที่เขาก็ประสบอุบัติเหตุไปเยี่ยมครั้งแรกก็จะรู้เลยว่าน่าจะไม่รอดแต่ก็พูดให้กำลังใจครอบครัวเขาเพื่อให้เขาได้มีกำลังใจแล้วก็มีเวลาทำใจวันนี้ไปวันอีกวันหนึ่งวันวันนี้เลยนะคะช่วงประมาณเขาน้องโทรศัพท์มาบอกว่าให้ให้รีบไปด่วน ก็พบว่าอาการอาการแย่ลงแล้วก็การสมองตายแต่ว่ารอคุณพ่อคุณแม่เข้ามาแล้วเขาเขายังทำใจไม่ได้เขาบอกว่าขอขอยือต่อพอดีตอนที่หนูก็ยืนรอกันคุยกันสอบเคสอะค่ะก็มีก็มีศพอีกลายอะค่ะเข็นออกจากห้องไอซูแล้วก็พอดีมาค้างอยู่ตรงที่หนูยืนพอดีก็ได้มีโอกาสพิจารณาค่ะ มันไปไปชุกคิดตอนที่พระอาจารย์เคยสอนว่าร่างกายมันคนเราเหมือนรถแล้วเราเป็นเราก็เป็นจิตใจค่ะถ้าเราเป็นผู้ขับรถร่างกายมันก็เดินเดินเหินวิ่งได้ถ้าเราจิตใจเราไม่ได้อยู่ในร่างกายมันก็มันก็เหมือนรถจอดอยู่นิ่งๆเลยค่ะก็ก็ได้ได้สติตรงนี้เราก็พิจารณาเรื่องของความแม่แน่นอนค่ะ เราเป็นผู้รู้ผู้คิดเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายคิดไม่เป็นรู้ไม่เป็นร่างกายเป็นตายไปแต่ผู้รู้ผู้คิดไม่ได้ตายไปกับร <Okay. S 1> ่างกาย <Okay. S 1> เป็นรถใหม่ก็ไปเปลี่ยนรถใหม่ะถ้ารถเก่าพังแล้วถ้าเนี่ยอยากจะใช้รถอยู่ก็ไปเปลี่ยนรถใหม่ไปเกิดใหม่ถ้าไม่ <Okay. S 1> อยากจะเกิดแล้วก็ก็ไปอยู่ที่นิพพานแต่ลักความอยากตัดกิเลสให้หมดไปいいอยา่างใจ เราทำได้ไปแค่นี้ค่ะก็ดีค่ะเป็นเป็นเป็นกันบ้านที่ทุกคนช่วยแล้วก็จะป้องกันามตายทุกคนค่ะแต่คิดบ่อยๆแล้วเข้าใจว่าใครตายใครไม่ตายแล้วมันก็จะมันก็จะหายกลัวหายเศร้าอ๋อใช่ค่ะหนูหนูก็หายกลัวศพไปเลยนะคะที่ที่เขามาจอดไว้ตรงตรงหน้าหนูหนูก็ยืนพิจารณาจนจนจนเขาเข็นออกไปแล้วค่ะก็ไม่ไม่ได้รู้สึกกลัวเลย นี่เงินต้องเห็นของจริงๆมนนัินถึงจะได้เข้าถึงใจได้จ้าค่ะกลับขอพระคุณค่ะในธรรมพระอาจารย์แล้วก็พระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าเห็นบนตายก็แห่สบบนตายพระเจ้าบอกเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกั น, นโอเคอย่าประมาทอย่าเลยมานนั่นสติบ่อยๆอถ้าทำให้จิตใจเราไม่ทุกข์เนี่ยถ้าทุกข์ก็อย่าเพิ่งไปพิจารณาแสดงว่าจิตใจเรายังไม่ยอมรับ มาให้สงบตนนี้มารับรับมาปองได้ก็ก็พิจารณาไว้เรื่อยๆตื่นในเตไว้เรื่อยๆจะไ้ม่หลงทางจ้ะค่ะขอบคุณจาค่ะจ้าสาธุอะไรที่คุณดับพิเศษเชิญนระดัาพิเศษการนวัตการประารับวันนี้ไม่มีอะไรต้องประชารเข้ามารับรัฟังครับไม่ไม่มีข้อสลุมให้ฟังมาวันนี้มีอะไร ไม kind of ่ได้แล้วี่มนเลยพี <t odo> <t odo> <t ่อาจารย์ไม่ะฟังนนี้ไมเร่อที่ทบใจถ้าจะถ้าจะคุยก็คุยนิดหน่อยนะนะพีอาจารย์แต่คงจะเป็นเรื่องเรื่องงวดก่อนที่ผมก็ไปคิดต่อเรื่องอะที่ว่ามีคนที่เขาบอกว่าเขาวางคาบริกรรมพุทโธพุทโธนะพอาจารย์เนาะ แต่ว่าการวางคําบริกรรมพุทโธที่ผมผมก็ไปนั่งใิดควรดูนะวเออการวางคำบริกรรมพุทโธพุทโธนี่เนี่ยเนี่ยมันจะวางก็ต่อเมื่อจิตอิมารมของความสงบไม่จิตแล้วถึงจะวางใช่ครับไม่ใช่ว่าก่อนก่อนอย่าไม่วางก่อนที่มันยังไม่สงบก็ก่อนผมก็มานั่งคิดว่าเอแสดงว่าเขาวางคําบริกรรมพุทโธพุทโธก่อนก่อนเวลาอันควรที่เหมาะสมก็คือไม่เห็นงมันยังไม่สงบ เหมือนเดินยังไม่มถึงบ้านนะก็หยุดเดันอย่างนี้มันก็ไปไม่ถึงนก็ก็ก็พอ ก, ก, กประมาณนั้นเลยครับพระอาจารย์ทีนี้เมื่อเห็นผู้<ม>ผู้บริการพูดโธรศพทโธแล้วเนี่ยมีร้องอ๋อตามพระอาจารย์บอกแล้วเนี่ยจริงๆตรงจุดเนี้ยมันได้รับความสุขอย่างมากแล้วก็ได้รับความหัศจรรย์ของจิตเพราะว่าตอนที่ผมเป็นเนยน้อยผมทําได้นะผมก็คิดว่าเอ๊ะในโลกใบนี้มันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอเรื่องแบบนี้มันมีด้วยเหรอในโลกใบนี้เนี่ย คือมันเป็นความอัศจรรย์มากในตอนนั้นเลยว่าเรื่องแบบนี้มันมีได้ในโลกเว้ยเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงก็งงมากเลยีนี้ก็นี่เราค่อยๆเติมคําบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเข้าไปนี่เราจะได้รับความสุขมากขึ้นมากขึ้นจนจิตมันอิ่มอารมณ์ปุ๊บมันจะนี่อยู่ในความสุขนั้นเลยเขาเนี่ยมันถึงจะวางคําบริกรรมพุทโธพุทโธได้มันตัวนี้เขาวางเร็วเกินไปอย่างกินข้าไม่อิ่มเราหยุดกินซะก่อนก็ก็จะประมาณนั้นแหละครับที่ครบอาจารย์ท่านบอกกบอกวันเนี้ย จริงๆเรายังกินข้าวไม่อิ่มระวางคําบริกรรมพุทโธไม่ได้ได้จิตตัวนี้มันสวยสวยอารมณ์ของความสงบอิ่มปุ๊บมันจิตมันเรื่มันเรียกว่ามันพอแล้วมันมันพอดีเลยมันจะวางไปเองของมันเองเลยมันจะมันละไปอยู่ที่ความสุขนั้นเลยมนีปอยู่กับความสุขนั้นเลยคันเนี้ยมันจะเป็นแบบนั้นมันต้องมีแต่พุทโธมันวางของมันเองมันจะพอดีกับความสุขของมันเลย ก็ก็ก um. ็ประมาณนั้นครับพระเจ้าพูดก็คือเอาประมาณนี้แหละครับอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากครับถือใชคุณพร้อมเพนพร้อมเพนต่อใช่ไคุณพร้อมเพใช่คเพเจ้าค่ะคอเพนเอ้าไค่ะพระอาจารย์ว่าเมื่อวานนี้เกิดอาการมันมันใจมันฟก มันก็่อมันแห้งจนไม่ไม่มีแรงจะทำอะไรมันมันเหมือนกับดีดีขึ้นมาระดับหนึ่งก็ทำอะไรได้แต่เมื่อวานอยู่ๆมันก็ก็่อนสุว่ามันเป็นเพราะอะไรมันไม่เทียมมันไม่เที่ยงมันมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาทุกทุกวันมันก็จะนึกถึงแต่เรื่องว่าว่าสอสารที่ที่ ัวเขาลําบากที่เขาฆ่าตัวตายค่ะก็ก็บุญวันแต่ความรู้สกเมื่อวานมันเหมือนมันเหมือนมันดึงตัวไม่ขึ้นดึงตัวขึ้นมาไม่ได้แต่แต่วันนี้ก็ก็ไปบริจาคสองพยาบาลเงินที่อะไกลับมาก็มันมันมีความรู้สึกมาก่อนเหมือนเหมือนไม่ได้ต้องการอะไรตรงนี้ที่แบบมันเหมือนต้องการความ ใจฟูขึ้นมาเพื่อจะเลี้ยงตัวให้มันให้มันอยู่ได้ต่อซึ่งจะรู้สึกว่าจริงๆเมื่อก่อนเราไม่ได้ต้องการไม่ไม่ต้องการให้ใจมันฟูไม่ไม่สนใจความฟูหรือความแปบแต่แ ต, แต่ตอนเนี้มีความรู้สึกให้มันฟูขึ้นมาหน่อยพอที่จะเลี้ยงตัวให้ไปอยู่ได้ก็เลยจะจะอยากถามพระอาจารย์ว่าเรามี อ, อะไรบ้างที่จะจะทําให้เราใช้เสต็งใช้คำวิธีคาพุโทโธพุโทโธแบบนี้ หลูหนก็พยายามครัพอพอเหมือนพอพอใจมันไปเบี่ยงไปาทางที่ที่เป็นเป็นใจมันแห้งยก็พยายามจะพุโทโธออกมาดังๆเพื่อที่จะดึงตัวแต่ว่าเพราอวานนี้มันแต่ต้องต้องดึงนานไหมนใช่เวล า, น, า น, นอนนั้นจนกว่ า, ามันจะหายถ้ายังไม่หายอย่าพิ่งประหยุดพุดโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งพยายามไปอยากให้มันหายใจใจมันนึกไปว่า ไอ้ที่เราทําทําเราไม่เห็นว่าเขาได้รับหรือเปล่าเขาไม่ได้รับอะไรอย่างนี้มันเหมือนกับไม่ตนไม่ต้องสนใจขเขารับหรือไม่รับหรือยเรามีหน้าที่ส่งไปรับก็ส่งไปก็แล้วกันเพราะเราไม่มียานยั ง, ยงทราบได้ว่าเขาจะรับได้หรือไม่ตนนแต่ส่งไปถ้าเขาอยู่รอรับอยู่ขเขาก็จะได้รับมันมันเป็นเหมือนความคิดเด่นขึ้นมาแล้วมันก็ดึงเราใชาอา่อย่าไปกังวลอย่าไปกังวลนะ แต่ตอนนี้พอได้เรได้ไปใช้มาอินเที่์เน็ตก็รู้สึกเหมือเราดีขึ้นแต่ว่าก็มันเหมือนเหมือนอาจารย์ว่ามันมันไม่เที่ยงอ่ะมันเหมือนเป็นดึงขึ้นมาได้แต่ว่าเดี๋ยวมันต้องเดี๋ยวต้องลงเองขึ้นขึ้นลงลไปตามเหตุตามปัจจัยหนูก็ไม่อยากให้มันเป็นขึ้นลงอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบเหมือนกับตอนนั้นเหมือนเหมือนจะไม่ไหวมันจะยืนไม่ได้ก็ก็เหมือนว่าพอไอ้ไอ้การดึงขึ้นมามันก็ทําให้เราเอายืนต่อไปได้เราไปห้าม เราห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตามันไม่ได้อยู่ภายใต้มภายใต้อำนด้ของเราที่จะไปห้ามมันไม่ให้ขึ้นไม่ลงให้เรารู้ทันมันแล้วเราปล่อยวางอย่าไปทุกข์กับมันนั่นเองมันมันขาดสติจริงๆเพรากมัไรอย่าไปทุกข์กับมันมันจะขึ้นก็ปล่อยมันขึ้นมันจะลงก็ปล่อยมันลงไปถ้าเราไม่อยากจะให้มันขึ้นลงเราใช้สติช่วยได้สติมันก็จะทําให้มันมันนิ่งอยู่ชั่วคราวแต่เดี๋ยวมันพอเราเพลิดสติมันก็กลับขึ้นขลงลงอีก นะถ้าเราทนไม่ไหวก็ใช้สติช่วยพุทโธพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปสักพักอย่างเนี้ยมันใจมันก็มันก็จะเย็นหนูก็ใช้พุทโธดังๆเพื่อจะดึงสติอย่าไปดังจนกระทั่งไปรบกวนชาวบ้านเพราะว่าเรา็นค่ะเราจะเป็นช่วงที่หนูอยู่คนเดียวเจ้าค่ะ กว่าพอทําทําเพลงด้ใจก็พอคนอื่นมันเหมือนมีสติมาคุมเราเหมือนถ้าเรามีมีกิจกรรมหรือว่ามีคนอื่นอยู่ก็เหมือนกับว่าสติมันมันบังคับได้อยู่แต่พออยู่คนเดียวมันเพลินมันปล่อยต้องใช้พุทโธช่วยเนียนกลับมาเจ้าค่ะหนูพยายามหนจะโทรดังๆขึ้นมาเพื่อดึงสติตัวเองอช่พยายามทำเรื่อเรื่อยแต่แต่เนี้ยค่ะมันเหมือนกับว่า นิ่งน่งมาเดือนได้เดือนิดนแล้วพอเนี้ยปุ๊บลงไปอีกอไม่เวลนไรลงได้ขึ้นได้บางทีมันลงไปเราก็ใช้พุทธโธดึงกลับขึ้นมาใหม่ได้เจพยายามนะหนูพยายามปฏิบัตินี้ได้ทุกวันอ่าดีทำไปเรื่อยๆขอบขอบพระคุณเจ้สาสาธุอขอบคุณประนมามมาสุดท้ายเลยนะมันมักจะเป็นคนสุดท้าย มีอะไรไหมจาบรัชการเจ้าค่ะก็ตอนนี้ก็ได้เห็นพิจารณาความตายะแล้วก็เพราะว่าพี่ชายป่วยนะแล้วก็แรกๆก็มีสะดุดมีรู้สึกคิดขึ้นมาบ้างเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่ก็ได้มีโอกาสได้ให้ทำพี่ชายไปเพราะว่าเขาทุกทรมานก็เขาก็รับรู้เจ้าค่ะหลวงพ่ออืม ไม่มีพ้นไม่มีใครนี้พ้นความตายได้นะเจ้าค่ะนี้ไม่พ้นหลับไม่ตื่นพื้นไม่มีเจ้าตดูจิตตัวใจตัวเองเจ้าค่ะหลวงพ่อคต้องปล่อยวางต้องปลงเจ้าค่ะไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยเป็นดินผ้ากะเป็นเดินน้ำมนต์ไฟเจ้าเหมือนเมฆก้อนหนึ่งก้อนเมฆเดี๋ยมันก็นลายกลายเป็นน้ำฝนไป ร่างกายนื้อก็ละลายกลายเป็นดินน้ำงิไฟไปจะได้พิจารณาได้เห็นว่ามันไม่มีความเที่ยงเกิดดับเกิดดับเกิดดับเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อก็อยังปฏิบัติทานศีลภาวนาช่วยให้ใจสงบเจ้าค่ะหลวงพ่อนี่ยยังไปวันอยู่รึเปล่าไปประจําเจ้าค่ะหลวงพ่อพอดีมีเพื่อนชวนไปทํางานแต่ใจมันไม่ไปเจ้าค่ะหลวงพ่ออ ม, มันจะไปทางธรรมอย่างเดียวเจ้าค่ะ อ, อ ก็มุม่งเน้ น, เ, นเรื่องเงินไปไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการปฏิบัติก็ยังไปปฏิบัติที่วัดแล้วก็ได้มกีก็ทำความสะอาดจุดที่ไม่มีคนทำเจ้าค่ะอย่างห้องน้ำห้องครัวอะไรพวกเนี้ยมีคนไปเยอะไหมที่วัดเมื่อสงกานมีไปสองร้อยกว่าคนเจ้าค่ะก็ใหญ่พอสมควรเจ้าค่ะ วัน<ต>ธรรมด า, ว, ว, าวันธรรมดาไปทักี่คนวันธรรมดาก็ห้าคนบ้างสี่ห้าคนสิบคนบ้างแล้วแต่ช่วงเจ้าค่ะหลวงพ่อเท่นี้แล้วที่มันอนนยู่อย่างวันอ า, า, าทิตย์ก็ประมาณแปดถึงสิบคนแล้ววันพีใครหยุดงานก็เขาก็จะสลับกันไปเจ้าค่ะหลวงพ่อพระเีลูกมีพระบลูกพระตอนนี้มีมาสี่ลูปเจ้าค่ะแต่เดี๋ยวก็จะไปแคลิฟอร์เนียอีกรูปหนึ่งเจ้าค่แล้วที่อยู่ประจำมีกี่ลูก ที่อยู่ประจามีสามลูกเจ้าค่ะ่เจ้าค่ะก็เดี๋ยวตอนอ่าอาทิตย์หน้าก็จะมีงานกงศูนย์สัญจรมาให้บริการด้านเอกสารลูกก็จะได้ไปช่วยเหมือนเดิมจ้าค่ะโอเคก็ถือเป็นการปฏิบัติไปในตัวทุกนาทีไม่ให้พลาดเป็นจิตอาสาเป็นจิตอาสาจิตอาสาประจำวัดเจ้าค่ะตั้งแต่วันแรกจนวันนี้จ้ค่ะหลวงพ่อยิ่งยิ่งสะสมเพิ่มขึ้นก็ มันทำใหาเป็ความอิมบ์ใจและได้ทำตามดีเจ้าค่ะให้ทานรักษาศีลภาวนาไม่ขาดเจ้าค่ะหลวงพ่อโอเคเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับต่อไปนะเจ้าค่ะให้หมดนะเจ้าค่ะครับขอบพระคุณในความเมตตาเจ้าหลวงพ่อสาธิตคุณนะต่อคุณนะนี่คาถามไหมกราบนมัสการพระอาจารย์มีทั้งหมดสามคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ ถ้าเพื่อนเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่คิดถึงจิตใจผู้อื่นทําผู้อื่นเสียใจแต่พิจารณาแล้วเขาก็ไม่ได้ทําผิดศีลห้าแบบนี้จะถือว่าเขาไม่ได้ทําบาปไหมครับถ้าไม่ผิดศีลท้าเขาไม่ได้ทําบาปแต่เขาไม่ได้ทําบุญนั่นเองถ้าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวเขาก็ทำเอาแต่ประโยชน์ใส่ตัวเขาถ้าเป็นคนที่ใจบุญเขาก็จะทําประโยชน์ให้กับคนอื่นบ้าง น, นั้นก็จะเป็นบุญ แต่ถ้าเขาไม่ไปทําร้ายผู้อื่นเขาก็ยังไม่ได้ทําบาปนะในเคสนี้ถือว่าไม่บุญก็ไม่ได้ทําบาปก็ไม่ได้ทําตายไปก็ไม่ไม่มีอะไรติดตัวไปบาปก็ไม่ไปติดตัวไปบุญก็ไม่ไปติดตัวไปไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ให ม, ม่ต่อคําถามต่อไป ถ้าเราไปร้านอาหารสั่งต้งยมยำปลามาทานโดยเราไม่รู้ว่าปลานั้นมีที่มาอย่างไรเป็นปลาเป็นหรือปลาตายถ้าเกิดทางร้านไปเอาปลาเป็นมาทำให้เราทานแต่เราไม่มีเจตนาจะให้เขาไปฆ่าเราจะบาปไหมครับอ๋อเราต้องบอกเขาเสียว่าไม่เอาไมเา่เอาปลาเป็นเอาปลาตายถ้าไม่บอกนี่เขาก็คิดว่าเรามีเจตนาจะกินปลาเป็นนะต้องแจง้งให้ทราบ พอเราไม่ต้องการเหยื่อปลาเป็นเราต้องการเหยื่ปลาตายถามเขว่ามีไหมปลาตายปลาที่ตายแล้วเนี่ยอยากตัวที่ยังไม่ได้ตายมาทํากับข้าวเรากินบอกเขาไปจะดีกว่าไม่ใช่ทําเป็นเฉยๆไม่รู้ไม่ชี้แล้วบอกไม่มีเจตนาอันนี้ไม่ใช่เรื่องเจตนาเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องแจ้งแจ้งเจตนาของเราเพราะทราบว่าเราไม่ต้องการฆ่าสัตว์ตัดชี้ิ คำถามสุดท้ายการพิจารณากายโดยพิจารณาอาการสามสิบสองหรืออสุภะหรือธาตุสี่จะให้ผลลัพธ์ทางปัญญาแตกต่างกันอย่างไรครับถ้าเราพิจรา 32, รณาสามสิบสองหรืออสุภะนี่เพื่อให้เห็นว่าร่างกายไม่สวยงามอาจจะสวยภายนอกแต่พอมองเข้าไปใต้พิวหนงังแล้วก็ไม่มีอะไรน่าดูน่าชมเลยเพราะฉะน้นกำจัดการมราคะ ส่วนการพิจารณาให้เห็นว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็พิจารู้ว่าไม่มีตัวตนตเป็นแค่ดินน้ำลมไฟไม่มีผลต่างครับโอเคหมดแล้วยังอถามหมดแล้วเชีวยวค่ะโอเคเวลาก็หมดพอดีสลับตัวนี้ก็ขอให้ท่านเอ่ามีขั้นสุดท้ายยังไม่ได้พูดเลยคุณอะไรคุณตั้มนะใช่ไหมต้องโผลเข้ามาเชิญขออภัย ไ, ไม่มีครับพระอาจารย์ครับเค มันต้องที่วันก่อนมาหาของใช่หไหมที่ลืมของไว้เช่ปะใช่ครับโอเคงั้นก็เจอกันวันพรุ่นะโอเคแล้ว okay. งั้นก็ขอยุดสิกทานชนะทำไว้สลับคืนนี้ขอให้ท่านจอมนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด